อาจารย์ครับการอมาสการ์ครับผมเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิชัชนาธรรมครั้ที่หนึ่งร้อยแปดสิบสามนะครับอาจารย์ครับการเข้ารายการขอรับสอบถามพระอาจารย์ว่าเช้าคนใส่บาทเยอะไหมครับผมปได้สี่ร้อยพนนี่อ๋อสี่ร้อยคนแล้วทางบ้านอีกสองร้อยกว่าใช่ัหมครับประมาณสองร้อยกว่า ทุกนี้ประมาณนี้แล้วนะครับอาจารย์ประมาณนี้เยอะหน่อยวันที่เป็นวันเสาร์ตรงกับวันพระก็ เ, เลย 400-47 <c oughs> คนที่ทําบ้านคุมทำบ้านประมาณ400เมื่อวานเนี่ยเหรครับพัดวันพระคนก็จะใส่เยอะอบางคนจะใส่เฉพาะวันพระสำหรับเฉพาะวันพระครับ <laughs> เมื่อกี้มีคำถามพอดีเลยครับเดี๋ยวกราบถามอาจารย์พอดีครับเขาเขถามว่ า, มมาประมาณว่าใส่ทีเดียวไปเลยหรือใส่ทุกวันดีครับมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่ามันมันควรหรือไม่ควรมากกว่าเราะว่าถ้าเรารู้ว่าเราจะตายพรุ่งนี้ก็เลบทําให้หมดใจวันนี้ <laughs> แต่ใส่บานใส่บ้านเป็นเป็นหมื่นชุดนี้คนมีผ้าอยู่แค่ร้อยนี่มันก็ของมันก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรครับ มันก็ต้องมีเหตุผลด้วยในการ่ทำแต่ถ้าถวายเป็นถวายเป็นของอย่างอื่นเช่นเงินทองหรือสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์อะไรเนี้อ้าวก็ทําไปนี้ทำเท่าไหร่ก็ทําได้แต่อาหารนี่พระท่านเก็บข้ามคืนไม่ได้อาหารที่ถวายตรงนี้ก็ต้องสละไปทําบุญทาทานไปก็ไม่ประโยชน์กับคนที่ยากจนที่เขามาขอลับอาหารไปแต่งันจิตที่มันมากเกิดนไปมันก็กลายเป็นของของไม่เกิดประโยชน์ มันก็ต้องแล้วแต่เหตุผลด้วยเวลาทําบุญท้ครั้งแต่แต่ที่มาใส่บาตกับพระอาจารย์นี่เกิดประโยชน์มากเลยนะครับนอกจากเลี้ยงพระแล้วเลี้ยงโยมได้หลายร้อยคนเลยใช่ไหมครับาาอาจารย์ก็มีทั้งคนที่มาขอทานหลังจากเสบินงบาตรชาวบ้านก็ได้มาอยู่ท้ายแถวพระก็รับของที่เหลือไปแล้วที่วัดก็มีพวกคนที่ทํา ง, งานอะ้กับวัดอีกหลายสิบคน เราก็ญาณโยมที่มาทําบุญปฏิบัติธรรม ก, ก็ก็แบ่งกันไปทุกอย่างไม่มีเก็บอะไรไว้อาจารย์ครับวันนี้ก็เลยอยากกลับขอปัญญาจากพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องไตรักครับอาจารย์ครับกลับขอความเมตตากับผมไตรักก็คือคุณสมบัติของสรรพสิ่งทั้งปวงทั้งหลายที่มีอในโลกนี้มีคุณสมบัติอยู่สามประการด้วยกัน ก็หนึ่งไม่เที่ยงคือเป็นของที่มีเจริญแล้วก็มีเสื่อมเป็นธรมรมดามีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีไกลดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปขณะที่ตั้งอยู่ก็มีการเปลี่ยนไปเรื่อยเื่อยในร่างกายของเราพอเกิดมามันก็มีการเจริญเติบโตแล้วพอมันเจริญเติบโตเต็มที่มันก็เริ่มนับถอยหลังก็เริ่มเสื่อมเริ่มเข้าสู่ความเจลาและก็ เข้าสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็เข้าสู่ความตายถ้าใครไปยึดไปติดอยากให้ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นอนิจจังตัวอย่าะใช้มันเป็นสิ่งที่ถาวรไม่ไม่ดับไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะต้องทุกข์ใจเกิดความทุกข์เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ความทุกข์นี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายนะความทุกข์นี้อยู่ที่ใจของคนที่มาครอบครองร่างกายอยากให้ร่างกายนี้ยั่งยืนถาวร มีอายุยืนยาวนานาสุขภาพแข็งแรงพองมันไม่เป็นไปตามที่อยากใจก็จะทุกขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกก็ต้องยอมรับความจริงของร่างกายว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยอมรับกับความเป็นจริงเพราะว่าร่างกายมันเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับไปสั่งการมันได้ไม่มีใครไปสั่งให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ยังทําทําไม่ได้กับร่างกาย การอนัตตาอนัตตาคือเป็นเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของการรวมตัวของธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตนุ น, น้ำธาตุลมธาตุไฟก็ําให้เกิดร่างกายนี้เป็นมาส่วนอย่างอื่นก็ก็เป็นเหมือนกันเช่นต้นไม้ก็มีธาตุสี่มารวมตัวกันทำให้เกิดเป็นต้นไม้ดอกไม้ผลไม้อะไร สิ่งตั้งหลายที่มีเกิดเนี่มันจะต้องมีดับงั้นให้เราเข้าใจแล้วเราก็จะได้อย่าไปยึดอยไปติดอย่าไปอยากให้มันเกิดแล้วให้มันอยู่ไปนานๆแนม้กระทั่งราบยศเสริญสุขที่เราเสกกันทุกวันนี้ครับเป็นอนิจจังไม่เทีย่ยมมีเจริญได้ก็มีเสื่อมได้มีลาบได้เพราะว่าลาบก็มีหมดได้มียึด ด้วยก็หมดได้มีสารเสริญก็หมวดเป็นเป็นเป็นเทิงทานได้กลายเป็นนเทิงทานได้มีสุขจากรูปเสียงกินน้อก็กลายเป็นทุกข์ก็ได้เพราะรูปเสียงกินน้อยก็ไม่ไม่เที่ยงเหมือนกันรูปเสียงกินน้อก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีไปสัมผัสกับรูปเสียงกินน้อที่ให้ความสุขก็เกิดความสุขพอไปสัมผัสกับรูปเสียงกินน้อที่ให้ความทุกข์ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาฉะนั้นอย่าไปอยากอย่าไปยึดอยไปอยาก มียึดไปติว่าให้มันต้องเจริญอย่างเดียวให้เราอยูย่ ส, ส, สุขสนุกเจริญอย่างเดียวเพราะมันจะทําทให้เสียใจเปนทุกข์ใจเวลาที่มันเปิดไปมันไม่มันมทันที่จะแล้วมันจะเสื่อมพะมันเสื่อมมันจะทาให้ใจทุกข์กันอันนี้คือตัวอย่าง <S 2> <S 2> ของสิ่งต่ตางๆที่มีในโลกนี้ที่พูดนี้ก็พูดถึงสิ่งที่มันมีความสําคัญกับเรามากที่สุดที่มีผลกระทบต่อจิตใจของเรามากเลยก็คือร่างกาย แล้วก็ราบยสรรเสริญสูงนะเราอยู่กันทุกวันนี้ก็เสบ ร, รูปเสียงกลิ่นร้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นล้นหาค่ะหานาบยสรรเสริญมาให้ความสุขแล้วเราก็มีความอยากให้สิ่งอันนี้มันมีแต่เจริญเพิ่มให้มันมีอยู่กับเราไปเรื่อยไม่ให้มันไม่ให้มันจากเราไปไม่ให้มันมีวันสิ้นสุดแต่วันดีคนดีมันก็สิ้นสุดเราได้ พอเกิดการสิ้นสุดลงก็เกิดความเสียใจทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้ามีปัญญารู้ว่ามันต้องสิ้นสุดลงทุกอย่างไม่เกิดแล้วต้องมีดับก็เตรีมตัวสอนใจให้ยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงเอามีเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการดับขึ้นมาใจก็จะไม่เสียใจไม่ทุกข์ใจก็อยู่ต่อไปได้ทุกวันนี้ที่ทใจทุกข์ก็เพราะว่าไปยึดไปติดไป ไปหลงไปคิดว่าสิ่งต่างๆที่ตนเองไม่อยู่นี้จะอยู่กับตนย้ายกลับสู่กับตนไปเรื่อยๆพอมันไม่ไม่อยู่เราพอมันจากเราไปก็ทําให้เราล้าพุงน้อให้เส้าโศกเสียใจแต่ถ้ามีปัญญาก็สอนใจให้ยอมรับความจริงถ้าสอนแล้วยังไม่ยอมรับความจริงก็แสดงว่าจิตไม่มีกาลังพอที่จะหยุดกิเลสที่ต่อต้านความจริงกิเลสทั้งอย่างให้มัน ยังยืนทาวรไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่มีวันสิ้นสุดเราก็ต้องมากำจัดกําลัดจิตตัวกิเลนี้ด้การฝึกสตินั่งสมาธิเพราะเวลานั่งสมาธิทำจิตให้นิ่งได้เราก็จะหยุดกิเลนได้หยุดความอยากต่างๆในใจได้ทำให้ใจวางเฉยได้ปล่อยวางได้ัอใจปล่อยวางได้เวลาแก่ก็ไม่เจ็บเวลาแก่ก็ไม่ทุกเวลาเจ็บข้าได้ปวนก็ไม่ทุกข์ เวลาตายก็ไม่ได้จ ก, ก็ไม่จบอันนี้คือวิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากการที่เรามาอยู่ในโลกของความไม่เที่ยงอนิจจ์ทุกข์อนัตตาเราไปเปลี่ยนอันนิจจ์อนัตตาไม่ได้มันเป็นอย่างของมันอย่างนั้นแต่เราเปลี่ยนใจเราได้แทนที่เราจะไปอยากให้มันเป็นนิจจังสุ ข, ขังอนัตตาแล้วก็ให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันมันจะมันจะชะล้างไปมันจะเดินไปรับยอมรับมันไป มันจะเสื่อมเม่ยอมรับมันไปมันจะเกิดก็รับไปมันจะตายก็รับไปถ้ารับได้วางใจเป็นอยู่เบคคาได้ ใ, ใจก็จะไม่ทุกข์ครับการเสื่อมของสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้ซึ่งพวกเราทุกคนจะต้องเจอกันไม่ช้าก็นเลยข้อสอบของวเราก็คือความแก่ความเจ็บความตายที่เราเราอยู่ข้างหน้านี้เราจะทําข้อสอบนี้ผ่านหรือไม่ผ่านเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์นยนี่คือ เป้าหมายของการศึกษาปฏิบัติธรรมก็มาเพื่อมาทําข้อสอบอันนี้นะถ้าทําใจได้ไม่ทุกข์กับมันก็สบายไปสอบผ่านถ้าสอบผ่านแล้วก็ไม่ต้องกลับมาทําข้อสอบนี้อีกมไม่ต้องกลับมาเกิดอีกถ้าสอบตกก็ยังต้องกลับมาเกิดอีกมันทาข้อสอบนี้ไปเรื่อยๆเพราะถ้าเราสอบผ่านก็แสดงว่าเราหยุดความอยา ก, กต่างๆได้ เราอยู่ความอยากต่างๆได้ความอยากที่พายเรามาเกิดมันก็ไม่มีไม่มีความอยากพาให้เรามาเกิ ด, ก เ, ราา เ, กดเราก็ไม่ต้องมาเกิดอีกต่อไปคอเครื่องมือที่จะทำให้เราอยู่ความอยากได้ก็คือการปฏิบัติทานศีลภาวนาหรือถ้าเราเป็นนักบวชก็ศีลสมาธิปัญญาที่คาวะมต้องมีทานก็เพราะว่าคาวราวาผู้กองเงินยังใช้เงินทองเป็นเป็น เป็นเครื่องมือดับความทุกข์ที่ไม่ที่ไม่สามารถดับความทุกข์ได้แต่เป็นเครื่องมือเป็นตัวที่จะมาสร้างความทุกข์เพราะมาใช้เงินทองมาดับความทุกข์เวลาเงินทองหมดก็ก็จะก่ อ, กกอความทุกข์ใจขึ้นมาก่อกถึงการซึมเศร้ากการคิดอยากจะฆ่าตัวตายของคนเมื่อไม่มีเงินไมีทองที่จะมาใช้ดับความทุกข์แล้วอยู่ไปก็มีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาก็อยากจะฆ่าตัวตาย งั้นวิธีใช้เงินเทา่าดับความต้องเเอาไปทําบุญทําทานเวลาทําบุญทําทานแล้วจะเกิดความสุขใจขึ้นมาแล้วความสุขใจนี้จะอยู่คู่กับใจไปนานพอความสุขที่เราได้จากการใช้เงินท่งไปไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆไปดูไปฟังอะไรเพราะมันเป็นความสุขแบบยาเสพติดมันจะทําให้เราไม่อิ่มไม่พอหิวอยู่แล้วไม่ต้องการอยู่แล้ว เ, เป็นเหมือนคนติดยาเสพติด พอไม่มีงานซื้อสิ่งเหล่านี้มาเสกก็จะกลายความทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเอาไงินไปทำบุญนี่มันได้ความสุขใจแล้วความสุขใจนียัอไม่มาเป็นไม่ไม่เป็นบัญยาเสพติดหรือเป็นอาหารที่ทำให้จิตใจเราอิ่มทำให้จิตใจเราคอเวลาไม่มีการทำบุญก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเพราะความอิ่มใจสุขใจที่ได้เกิดนใจ ที่ได้เกิดจากการทําบุญทําทาน ม, ามันจะหลอเลี้ยจิตใจให้มีความสุขงั้นถ้าอยากใช้เงินทองมันเพื่อเงเมื่อดับความทุกข์อยู่ก็ให้เอามาดับความทุกข์ด้วยการทําบุญทําทานเอานำบุญทําทานเราจะไประงับตัวที่สร้างความทุกข้กับใจคือความโลภความตเนริความยึดติดในทรัพย์สมบัติเข้าของเอ ง, งินทอง เขารายึดติดทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองวันที่เราต้องจากมันไปนี้จะเป็นวันที่เราต้องเสียใจต้องทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเราไม่ยึดไม่ติดกับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเวลาต้องจากมันไปเราจะไม่รู้สึกเหนือนนยนอนเฉยๆจะไปบวชได้ก็ yep. ต้อละทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองให้หมดไปแต่ยังคนที่ยังยึดติดทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองอยู่นี้ไปบวชไม่ได้ เบวชเวล น, น, นาก็จะไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่ไม่มีเวลามาจเจริญสติเพื่อให้จิตเข้าสมบเข้าสู่สมาธิให้เกิดอุมเบกขาขึ้นมาเพื่อจะได้ใช้ปัญญาเวลาพิจารณาเห็นว่าทุกสิ่งทุ่อย่างไม่เที่ยงจะได้ทำใจให้เฉยไนดะ้เวลาก่อการเปลี่ยนแปลงก่อการเสื่อมของสิ่งต่างๆที่เราหลัล่ง่อชอบไป อาจารครับมีหลายคนคอมเมนต์มาว่าแค่ฟังนี้ก็รู้สึกสบายใจเย็นใจกันไปแล้วอันนี้เป็นผลจากปัญญาหรือเปล่าครับก็เป็นปัญญาในระดับต้นๆคืออย่างน้อยก็ทํำให้เราคลายความหลงได้แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เจอข้อสอบเป็นเพียงแต่เป็นการอ่านตัวอย่างของข้อสอบแต่เรายังไม่เจอของจริงเราเวลาไปเจอโลกองะไรนี้มาเราดูสิว่าเราทําใจได้หรือเปล่าก็ อากายมันเป็นอย่างนี้เราห้ามมันไม่ได้สิ่งที่เราทําได้ก็คือทําใจเฉยๆอย่าไปทุกกับมันอย่าไปม่นวายกับมันอันนี้จะเป็นตัวข้อสอบอีกทีหนึง่งการฟังว่ามันทำให้เราเห็นทางเห็นรูปทางว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรแล้วเมื่อเราเห็นว่าเรายังไม่สามารถทําใจได้เราก็จะได้รู้ว่าเราต้องไปทําอะไรต่อเพื่อมาให้เรามีพลังที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เรายึดติดได้ อาจารย์ครับเวลาที่เจอปัญหาบางทีเรื่องตายรักมันก็ผุดขึ้นมาอันนี้เป็นผลของสติหรือเปล่าครับอาจารย์ก็ผลของปัญญาที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาจดจํา ม, มันฟังอยู่ในใจแล้วพอแล้วก็มีมีสติพอสติเกาเรารู้ถึงตายรักมันก็โผล่ขึ้นมาถ้าไม่มีสติมันก็จะถูกอำนาจวิญญาณให้ไปวิ่งหายงอย่างอื่นเป็นเครื่องแก้ความทุกข์ใจ มหาราภยศสรเสริญสุขวางแก้ความทุกข์ใจกันแต่คนที่มีสตินี้จะจะมีปัญญาตามมาปัญญาจะสอนเราวิธีแก้ความทุกข์ใจก็ต้องทำใจให้เฉยเนนเองอย่าไปยากกับสิ่งต่างๆที่เราไม่สามารถไปควบคุ ม, มคบังคับไปเปลี่ยนแปลงได้ครับขอบพ ร, ระคุณอาจารย์ครับแต่ผมขอการถามคำถามจาก เ, เพื่อนๆบ้างนะครับ คุณแว่นครับจะทําอย่างไรให้จิตอยู่กับปัจจุบันไม่ให้จิตลงไปคิดถึงอดีตและไม่กังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงได้ครับรก็การสดสติไงเราต้องมีกรรมฐานไว้คอยดึงจิตไว้กรรมฐานก็คืออารมณ์ที่เราใช้ในการปลกจิตให้อยู่ในปัจจุบันกรรมฐานมีสี่สิบชนิดแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้กรรมฐานที่อยู่ในกลุ่มของอนุสติสนะิบเนื่นงจากนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพุทธานุสติ แล้วถึงพระธรรมคําคสอนพระพุทธธร ร, ธ ร, ร, ธ ร, ธรมานุสติแล้วเถึงพระสงอ์อริยสองสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็เรียกว่าสังขารนุสติแล้วเลือนดูอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเราก็เรียกว่ากายกายกตาสติแล้วเวลือนดอยู่กับการหายลมหายใจเข้าออกเราก็เรียกว่าปานาอาณาปานาสตินี่เราก็เลือกใช้ได้ในแล้วแต่กรณีถ้าเรา การเจริญสติในระหว่างวันแต่เรายังต้องมีการเคลื่อนไหวให้ทำนู่นทำนี่อยู่ก็แนะนําให้ใช้สองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งใช้พุทธานุสติก็ให้บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปพอเลิอนตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปถ้าใจอยู่กับพุโทโธแล้วมันก็จะไปคิดถึงอดีตไม่ได้คิดถึงอนาคตไม่ไมันก็จะอยู่ในปัจจุบันหรือถ้าเราบริกรรมพุโทโธแล้วรู้สึกเหนื่อยอยากจะหยุดก็เปลี่ยนมาดูที่กายคตาสติแทนก็ได้ คือตอนี้ร่างกายกำลังทําอะไรทําอะไรไปกับพร้อมๆไปกับร่างกายร่างกายแปลงไฟน์ก็แปลงไฟนไปกับร่างกายร่างกายหน้าหน้ากับหน้าหน้าไปกับร่างกายร่างกายแต่งเนื้อแต่งตัวก็อยู่กับการทำงานของร่างกายทุกทุกกิริยาบทของการเคลื่อนไหวอันนี้ก็จะหนึ่งใจให้อยู่ในปัจจุบันไม่ให้ไปคิดถึงอดีตถึงอนาคตได้แต่เมื่อตอนมันไม่ใช่ของง่าย มันพอเราพูดโทรได้สองสามคำมันมาบไปคิดถึงคนนั้นวันนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นะอยู่ร่างกายได้แวบเดียวมันไปแล้วเราต้องใจเย็นๆพอรู้ตัวว่าเผลอแล้วก็เดินกลับมาใหม่เดินกลับมาพุดโธรใหม่เดินกลับมาว่ามาอยู่กับร่างกายใหม่ต้องทํอย่านี้ไปฝึกไปเรื่อยๆแล้วสติก็เขจะค่อยมีกําลังเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็จะมีต่อเนื่อง เมื่อสติต่ตอเ น, นื่องเนีเ่ยเป็นสัมปชัญญะสติสัมปชัญญสะญญส ต, ติที่ต่อเนื่องเมื่ตอนนี้ตนนสติจะเป็นสติแบบหายไปโผล่มาปุ๊บแล้วก็หายไปเกิดดับเกิดดับแต่ถ้าเราพยายามตั้งมันอยู่เรื่อยๆพอเพอพอได้สติก็เจะกลับมาให้มายู่กับกรรมฐานที่เราใช้ในการผูกใจไว้เอาไปไมันก็จะอยู่ยาวขึ้นยาวขึ้น แล้วพอมันมีสติที่ยาวขึ้นสติที่ไม่เผลอไม่ไปคิดปรุงแต่งเวลานั่งสมาธิจะทำให้จิตนิ่งสงบมันก็จะง่ายขึ้นการฝึกสติให้มั่นกุญแจสำคัญของการปฏิบัติธรรมก็คือสติเหมือนกับกุญแจสำคัญของการเรียนหนังสือคืออะไรการเรียนกอไก่ขอไข่ถ้าเราอ ย, าง อ, ยางอ่านออกเขียนไม่ได้เราก็ต้องอ่าน เราก็ต้องไปเรียนกอไก่ขอไข่ก่อนไม่ทํากอไก่ขอไข่ให้รู้จักว่าออกเสียงยังไงมีรูปนั่งลักษณะอย่างไรแล้วค่อยๆเรียนไปทีละขั้นอยากทราบความคิดเห็นของพระอาจารย์เกี่ยวกับการสอนกระแสการสอนธรรมะในโซเชียลตอนนี้ครับวันนี้ก็จะแสดงทำอยู่เหมือนกันในการสอนธรรมะถ้าวิธีที่ถูกต้องที่สุดก็คือสอนตัวเองให้บรรลุ ก, ก่อนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ก่อน อป้าหมาของกาบรบฏิบัติธรรมนี้ก็เพื่อให้เราไม่ทุกข์กับอะไรแต่ถ้าเรายังมีความทุกข์อยู่เรายังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์คือพูดง่ายๆ ย, ยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ยัง ไ, ไปสอนคนอนื่นจะดีกว่าเอาเวลามาสอนตัวเราเองจะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะเวลาของเราจะน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเราไปสอนคนอนื่นแล้วเกิดถูกใจเกิดมีชื่อมีเสียงแล้วก็หลงติดกับลาบยศสรรเสริญที่ได้ตามมาธรรมะที่เรามีอยู่ ถ้ายังไม่ถึงขั้นสูงสุดมันก็จะติดอยู่ตรงนั้นมันก็จะไม่ไปต่อแล้วมันถ้าเกิดถึงเวลาหมดไปตายไปมันก็ก็จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่ออีกแต่ถ้าเราเอาเวลาทั้งหมดที่เรามีอยู่ตอนนี้มาสอนตัวเราเองก่อนปฏิบัติตัวเราเองให้หลุดพ้นให้ได้ก่อนเหมือนกับที่พระเจ้าได้ส่งํามเป็นตัวอยา่าง ตอนที่พระเจ้าได้ตัดสั่งเป็นพระพุทธเจ้าในพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนใครเลยไม่ได้นั่งตัวเป็นอาจารย์สอนใครนอกจากว่ า, า จ, จะมีคนติดตามอยากจะมาขอศึกษาบางเรื่องบางอย่างกล้าจะสอนไปแต่ไม่ได้ทำเป็นหน้าที่แบบที่เป็นหน้าที่อย่างจริงจังพระอผ์ก็ส่งเรื่องสอนตัวเองหาวิธีกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หมดไปก่อนพอมาตัดสั่งเป็นพระพุทเจ้าแล้ว ความอยากสอนกับหายไปเลยเมื่อก่อนอยากจะสอนอันนี้มันเป็นกิเลสนะความอยากเนยมันก็เป็นความอยากอย่างหนึ่งอยากจะสอนมันอื่นมันพอมันรู้ทำแล้วมันความอยากสอนมันหายไปเลยมันกลับเป็นความรู้สึกท้อแท้ทำนี่มันแสนจะยากกว่าจะได้นี่ไม่ใช่เป็นของง่ายแล้วคนที่จะสอนี่มันหายยากด้วยคนที่ยังมาปฏิบัติตามตามได้มันหายยากก็เลยเบื้องต้นเลยตัดสินใจไม่สอนดีกว่า พอพวกตัดสินใจไม่สอนข่าวไปถึงท้ามาหาพรหมเดือนนันท้ามาหาพรหมต้องมากล่าวอาราธนาขอให้พระเจ้าได้ทรงปดพจิจารณาให้ร อ, อบครอบเถิดพราะคนเหล่านี้ก็มีหลายหลายระดับความรู้ความสามารถนความแตกต่างกันไม่เหมือนกันทุกคนท้ามาหาพรมมาขอขออ น, นุญาตให้พระเจ้าพิจารณาพระเจ้าทรงทรงพิจารณาดูก็เห็นว่าออกคนในสี่ระดับ แ บ, บ่งเป็นบัวสี่เราคนที่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ได้ทันทีเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมก็มีอยู่คนที่ต้องใช้เวลาศึกษาธรรมเทศน์ตามปฏิบัติไปอีกระยะถึงยาว์นุ่งก็มีแล้วคนที่ต้องใช้เวลามากขึ้นแบบนั้นก็มีแล้วก็มีกลุ่มที่สี่ที่เป็นพวกบัวใต้บัวที่อยู่กับคนโตพวกนี้เป็นพวกที่ไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อในเรื่องของของคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกนี้ก็เป็น เป็นพวกที่ไม่สามารถที่จะสอนได้หลังจากที่ได้ยากแยะคนเป็นศีลแล้วแนะพระองค์ก็เลยมีกําลังใจที่จะสอนโดยมุ่งไปที่สอนพวกกลุ่มแรกคือพวกบูนเหนะือน้ำพวกที่มีศีลมีสมา ธ, ธิพร้อมที่จะรับธรรมะคือปัญญา ร, รับแสงสว่างแห่งธรรมได้ทันทีพอแสดงธรรมปุ๊บ ก, ก็ บ, กบาารรลุเป็นพระหลานกันเป็นจํานวนมากเลยส่งไปสอนพวกนักบวชนตามสำนักต่างๆ มันจะได้อาศัยพวกนี้มาเป็นผู้ช่วยสอนในทีไม่เคยแผ่ธรรมะให้ทีพระพุทธเจ้าฉลาดสอนเพื่อหวังผลประโยชน์ไม่ใช่สําหรับพระองค์เองเพระองค์ไม่ต้องการอะไรจากจากการสั่งสอนธรรมะเลยแม้แต่นิดเดียวราบสักการะไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ยินดีเลยเพราะเห็นปฏิบัติมาเห็นด้วยปัญญาว่าราสักการะก็เป็นทุกข์เป็นกองทุกข์เลยแต่สอนด้วยความเมตตากรุณา สงสารสัตวนอกที่ยังติดอยู่ในกวามทุกข์อยู่นั้นตรงนั้นเป็นของการสอนเพื่อให้เขาได้บรรลุทับจริงๆไม่ได้สอนเพื่อให้เข้ามาเคารพศรัท ธ, ธาเชื่อเราแล้วมาไหว้ากราบไหว้ศรัท ธ, ธาบูชาเราเราไม่ต้องการจากการสั่งสอนนอกจากต้องการให้ผู้ได้มาศึกษาปฏิบัติได้ลหลุดพ้นจากความทุกข์เท่านั้นเองแต่ถ้าเรายัง อย่างบรรลุไม่ถึงขั้นสูงสุสดเช่นอาจจะเป็นพระโสดาบานันแล้วก็อยากจะมาสอนคนนู้นคนนี้มันก็จะทําทให้เราไม่มีเวลามาสอนตัวเองเหมืนอนถ้าอนุน่ะเป็นท่านเป็นพระโสดาบานันแล้วท่านก็ไปรับใช้พระพุทธเจ้าอยู่ยี่สิบกว่าปีมั้งเป็นกรทั่งพระพุทธเจ้าจากไป้ะถึงจะว่างจากภา ร, รกิจในการอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าพอมีเวลาว่างไปปฏิบัติสามเดือ น, นก็มบรรลุเป็นพระละ งั้นถ้าใครบรรลุถามขั้นที่หนึ่งแล้วอย่าเพิ่งหยุดปฏิบัติพยายามำจำเริ่นต่อไปให้หนึ่งถึงขั้นที่สี่จะดีกว่ามีนคนที่จบปรัญญาตีแล้วอย่าเพิ่งหยุดเป้าหมายคือปรัญญาเองต้องเรียนไปต่อไปต่อโทแล้วก็ไปต่อเองพอเรียสุดแนละ้วไม่มีที่จะเรียนต่อแล้วอาทีนี้ก็ไปเป็นาศาสตราจารย์ไปสอนใครได้อันนี้ก็เหมือนกันประโยชน์ที่ตนเองทํายังไม่ได้ร้อเอร์ซนอย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งปิดปิดการประโยชน์ของตอนที่จะเพิงได้รับเปลี่ยนจากประโยชน์ไปรบับราบสกสาระแทนมันไ ม, ไม่ไม่คุ้มลาบส ก, การะเป็นความทุกขมีเจริญก็มีเสื่มได้มีสารเสริญก็มีดินทาได้พอดังปั๊บก็มีทั้งสองฝ่ายเข้ามานะพวกสารเสรื่อก็เชียร์พวกด่าก็ด่ากันครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าใจไมถ้าใจไม่มั่นคงเดี๋ยวก็ก็เครียดขึ้นมายังช่วยสอนตอนเองก่อนนี่ก่อนสอนตอนเองให้สมบูรณ์ให้เสร็จเรียบร้อยเสร็จภารกิจของตนวุชิตังบรมจารย์กินในพรหมจารย์นี้ใด้สิ้นส่วนของแล้วไม่มีกิจอะไรจะต้องทําอีกต่อไปแล้วอันนั้นนะถึงจะเป็นผู้ที่พร้อมที่จะไปสอนสั่งสอนผู้อื่นต่อไปได้นย่ายังไม่เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ถ้าตอนนียังไม่สําเร็จกิจของตัวเองก็ไปสอนคนเหมือนกิจของตัวเอง ก, อนนก็ข้างๆอยู่อย่างนั้นนะอย่างคุณหมอว่านั่งจบหมอก่อนยังไม่ถึงจะไปรักษาคนไม่ใช่เรนนียนเป็นแพทย์ปีสองวพอจะรู้วิชาวิชวิธีรักษาก็ไปเปิดคลินิกครับผมคนณดำถามว่าพระธรรมคําสอนเป็นอนัตตาหรือไม่ครับ ก็ทำคำสอนมันก็เป็นสิ่งที่มันมันมันมันผ่านทางทางทางสื่อที่เป็นเป็นเป็นอนิจจังทุกขอนัตตก็คือรูปเสียงกลิ่นรสการแสดงถัดก็ต้องใช้นั่งกายมันก็เป็นของชั่วข่าวแต่มันจะว่าเป็นอนัตตานั่นตานี้มันไม่อยู่ในประเด็นที่พูดได้มันก็มันก็เป็น มันก็เป็นเสียงอ่ะเสียงธรรมมันก็เป็นเสียงอย่างหนึ่งแต่ว่ามันเป็นเสียงที่มีประโยชน์สําหรับคนที่รู้จักเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองได้ไม่เป็นทุกข์เสียงของธรรมนี่ไม่เป็นทุกข์ไม่เหมือนกับเสียงของอเสียงเพลงเสียงอะไรต่างๆนี่เป็นทุกข์ได้เพราะพราะว่ามันจะติดเป็นเหมือนกับยาเสพติดเวลาไม่ได้ฟังเราจะทุกข์จะเศร้าได้ยังไม่กล้าตอบว่าจะเป็นอนัตตาหรือไม่เป็นอนัตตา แต่เป็นสิ่งที่เป็นความจริงที่อมตะนี่กับเพียงแต่ว่าจะขุดค้นพบมันหรือไม่เท่านั้นเองเอ็นลายร่างนี่เป็นเปนอมตะไม่มีวันไม่มีมีมมมอยู่ช่งยุคทุกสมัยเพียงแต่ว่าคนมีปัญญาจะมีปัญญามองเห็นมันหรือไม่เท่านั้นเองแต่มันมีอยู่อริยสัจสีก็มีอยู่ในใจเราตลอดเวลาแต่เรามีปัญญาที่จะเห็นมันหรือเปล่าเวลาเราทุกข์ใจเราจะเห็นมันหรือเปล่าว่ามันเกิดจากความอยากของเราเอง ไม่เห็นกันเนะเวลาทุกข์ใจก็เกิดจากความอยากให้คนนั้นคนนี้อยู่ของเราพอเขาไม่อยู่กับเราก็ทุกข์ใจแทนที่จะมาแก้ความเหตุที่ทำให้เราทุกข์ใจก็ไปแค่คนที่เขาจากเราไปหรือทิ้งเราไปไปหาวิธีดึงมันกลับมาให้ได้ป้าใส่บาตรทุกวันเวลาตายไปไม่มีใครทาบุญให้จะทํำยังไงครับโอ้บุญถ้าทําทุกวันไม่พอเหนือเฟือแล้ว ว่ากับบุญที่คนก็มาทําให้เราเองไม่ต้องไม่ต้องไปหวังเพื่งบุญของคนอื่นเนะราสร้างบุญของเราดีกว่าถ้าใส่บาต ท, ทุกวันนี้ถ้าไม่ทำบาตรับประกันหน้าตายไปไปสวรรค์ทันเอไม่มาเป็นเปรตไม่ต้องมาขอเงินขอบุญจากใครคุณดําครับบอกว่านิพานเที่ยงใช่หรือไม่ครับคือ น, นิพานมันเป็นสภาพของจิตใจที่ไม่มีความทุกข์มุ่งเนื้ออยู่ จิตใจนี้มันเป็นของไม่ตายอย่างท่านนิพานมันก็จะอยู่ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยแต่ว่านิพานที่ยังกันแล้วแต่เราไม่นิยมจะพูดกันอย่างนั้นด้เพราะมันอยากจะทําให้เกิดความความเข้าใจผิดขึ้นมาอย่างท่านนิพานก็ต้องหวอัวเพ็งเป็นสภาพของจิตใจที่หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงพอได้กตัดความอยากต่างๆที่เป็นเป็นเหตุของความทุกข์ได้หมดสิ้นไป จิตชองที่เป็นนิพพานก็เกิดเป็นจิตที่มีบัลลัง ม, มัสุ่มไปตลอดเวลาไม่มีวันสิ่นสุดเช่นจิตของพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันตสาวกทั้งหลายจิตของท่านดังนี้ก็เป็นบมมัลลังสนุ่ตลอดเวลาให้อาหารสัตว์สุนัขแมวไก่จรทุกวันแต่ไม่ค่อยได้ใส่บาตรได้บุญไหมครับได้ยง่เหมือนกันเออ คุณเพิ่มสักครับเรียนถามพระอาจารย์ครับการเป็นพระโสดาบันต้องผ่านการทําวิปัสนาใช่ไหมครับก็ต้องผ่านมีศีลก่อนศีนล8ถึง8เพราะถ้าไม่มีศีลแปลดจะไม่มีเวลาไปฝึกสตินัสมาธิต้องมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีอุเบกขาที่เกิดจากสมาธิเราถึงค่อยไปไปวิปัสนาไปพนะิจารณาตายรักในเรื่องของร่างกายว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเรา ไม่เกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาถ้าอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยวางให้มันถ้ามันแก่ให้มันเจ็บให้มันตายไปยอมรับความแก่ความเจ็บความตายน้ะก็บรรลุเป็นพระโสดาบันได้การนั่งสมาธิเรานั่งตามสบายได้ไหมครับพอนั่งนานๆแล้วปวดขาครับคือการนั่งสมาธินี่เราต้องการความสบายทางใจไม่ใช่ความสบายทางร่างกาย ถ้าได้ความสบายทางร่างกายมันก็จะทําให้นั่งได้ไม่นานเพราะร่างกายนั่งไปสักพักเดี๋ยมันก็จะเกิดอาการเจ็บขึ้นนาก็จะเลิกนั่งต่อไปเห้เรานั่งสมาธิไม่ได้นั่งเพื่อให้ร่างกายสบายแล้วร่างกายนั่งเราก็ให้จิตสงบจิตสงมได้ลงเทก็ต้องผ่านความไม่สบายของร่างกายความเจ็บของร่างกายไปถึงจะเข้าสู่ความสงบได้งั้นอย่าไปกลัความเจ็บที่เกิดจากการนั่งสมาธิเพราะเราต้องทํามันเป็นข้อสอบ ที่จะทำให้เราผ่านนั้นเพื่อเราจะเข้าสมาธิให้จิตนิ่งสงบได้เพราะเวลาเกิดอาการเจ็บขึ้นมานี้เราจะต้องใช้สติให้มีกําลังเพิ่มมากขึ้นไม่ให้เกิดความอยากให้ความเจ็บให้ไปหรือเกับความอยากจะลุกเปลี่ยนแนยบทให้นั่งต่อไปโดยการใช้สติควบคุมใจควบคุมความอยากถ้ามีสติกําลังมากพอต่อไปก็จะหยุดความอยากได้ พอหยุดความอยากได้ใจที่วุ่นวายก็จะสงบขึ้นมาทันทีต้องผ่านความเจ็บนั่นเองสามารถบังคับให้บังคับตัวเองให้เจริญสติให้มากขึ้นถ้านั่งสบายๆมันก็จะไม่ค่อยเจริญสติเท่าไหร่เพราะไม่มีปัญหาที่จะต้องมาแก้คุณแคทบอกว่าการทำทานด้วยการโอนเงินทุกวันกับทำทีเดียวประจำเดือนแบบไหนดีกว่ากันครับ ก็ถ้ามองภาพเดียมันก็ได้ได้บุญเท่ากันถ้าโอนสามร้อยบาทวันละวันละสิบบาทแล้วโอนทีเดียวสามร้อยบาทถ้าเราโอนต้นเดือนก็ก็ก็เหมือนกับเราหมดภาระไปกต่ถ้าเราตายวันพรุ่งนี้เราก็ได้บุญสามร้อยบาทแต่ถ้าโอนวันละสิบาทสิบาทพอพรุ่งนี้เราตายไปเราก็ได้บุญแค่สิบบาทเพราะเราเพ่งโอนแค่แค่วันเดียวก็อยู่ที่ว่าเราต้องการแบบไหนเราต่า่ความ แต่ผลบุญก็เท่ากันคือถ้าถ้าโองคบบ์รบสามสิบวันวันละสิบาทก็ได้บุญสามร้อยเหมือนกันครับโอนครั้งเดียวสามร้อยบาทมันก็ได้บุญเหมือนกันเท่ากันบางคนอาจจะต้องผ่อนไงผ่อนบุญเพราะว่าไม่มีเงินก้อนที่จะ ท, ทําทีเดียวก็เลยอาศัยการผ่อนไปเพราะเวลาทำมากๆมันเงินไม่พอเพราะว่าต้องเอาเงไินไปใช้ทั้งอื่นด้วยก็ต้องเจียดเงินมาให้กับการทําบุญวันละน้อยวัละน้อยไป ก็แล้วแต่แล้วแต่ความสามารถถ้าทาทีเดียวบุญได้ก็ดีจะได้มันก็บวชเลยจะได้เป็นปฏิบัติธรรมครับบางคนเขาคิดว่าทําทุกวันแล้วเขาจะได้มีโอกาสนึกถึงว่าเขาจะต้องทําบุญทุกวันอย่างเงี้ยครับอาจารย์นี้เป็นกุศลไหมครับมันก็มันก็เป็นการฝึกนิสัยมีความเป็นใจเป็นทานนึแต่างถ้าทำครั้งเดียวทําหมญมันก็นิสัยมันก็เป็นทาน มันก็ได้ครบมันก็ได้เหมือนกันงั้นถามว่าจะทำไงตอบก็คือเหมือนกันถ้าไม่ตายถ้าทําครบสามสิบวันเหมือนกันก็ได้ผลเท่ากันไม่ว่าจะ ท, ทําทีเดียวครั้งเดียวหรือทำสามสิบครั้งก็ได้แต่ถ้าทําวันละสิบาทสิบาถ้าเกิดทําไปครึ่งนึงแล้วตายไปก็ได้แค่ครึ่งเดีย ว, ไ ด, ว, ด ไ, วย ไ, ได้แค่ร้อยห้าสิ เป็นคนทํากับข้าวใส่บาทครับแต่ว่าให้พ่อกับลูกใส่เราคนทํากับข้าวได้บุญไหมครับคนทํากับข้าวก็ได้บุญส่วนนึงคนใส่ก็ได้บุญส่วนหนึ่งแล้วคนที่จ่ายจ่ายเงินซื้อกับข้าวมาทําก็ได้บุญอีกส่วนหนึ่งมันมันมันบุญหลายหลายส่วนด้วยกันบุญที่เสียสละเงินทองนี่ก็เรียกว่าทานบุญที่เกิดจากการทํากับข้าวก็เรียกว่าความเพียรวิริยะมันมีความเพียรที่จะทํา่า คนที่เอาข้าวไปใส่ให้อีกก็ได้ได้ความเพียรเหมือนกันได้ทําความเพียรแต่ไม่ได้ทําทานถ้าไม่เขาไม่ได้เป็นคนจน่ายเงินสําหรับข้าวกับข้าวที่ซื้อมาทําทําัข้าว้ำนั้นมีบุญอยู่สองชิ้นเวลาเราทําบุญคือบุญที่เกิดจากการเสียสละเงินทองที่เราเรียกว่าทานและบุญที่เกิดจากการมีความเพียรขยันหมั่นเพียรถ้าเราทำกับข้าวเองนี่เราต้องใช้เวลาใช้ความเพียรทํา ก็จะมีความขยันเพีย่ยนถ้าเราไปซื้อกับข้าวสำเร็จรูปนี้เราก็ไม่มีความเปลียนต้องทำกับข้าวแล้วถ้าเราฝากให้คนเลยก็ขาใส่ให้เช่นแม่ค้าเนื่องจากเราไปใส่เองไม่ได้เราก็ฝากให้แม่ค้าใส่ให้เราก็ได้บุญจากการเสียสละเงินทองของเราซื้อของจากแม่ค้าส่วนแม่ค้าก็จะได้บุญที่มาช่วยใสาบาตรให้เราช่วยทำกับข้าวให้เรา ไอ้แม่ค้าจะไม่ได้บุญจากการทำกับค่าเพราะไม่ทําคิดเงินไงคิดค่าอะไรไม่ได้ทําฟรีคุณอัญชลีครับข้อที่หนึ่งครับพระสามารถจะรูปหัวเด็กผู้หญิงอายุประมาณห้าหกขวบได้ไหมครับตามกฎระเมียบ้ะแต่ตั้งผู้หญิงไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ตามแม้แต่สัตว์ในกรชายก็ไม่ได้แต่หมาตัวเมียนี้ก็ไม่นั่นด้วยแม่นั่นกับมาตัวเมียไม่ได้แต่ต้องหมาตัวเมีย คือถ้าเป็นเพศต่อการข้ามนี้ไ ม, ไม่ไม่ให้มีการคอนแทคไม่มีการแต่แต่นิ้ต้องตัวเลยเพื่อการการการเวลาค้าที่อาจจะเกิดขึ้นไดจากการเวลาได้สัมผัสแต่ต้องเพศต่อกันข้ามข้อที่สองครับเวลาทําบุญและอุทิศส่วนบุญศนให้ญาติผู้เสียชีวิตอยู่ดีๆมีกลิ่นหอมลอยมาโดยที่บริเวณนั้นไม่มีดอกไม้หรือสาเหตุที่จะทําให้เกิดกลิ่นหอมได้เลยแบบนี้ใช่เทวดามาหรือไม่ครับไม่รู้ ก็รว่าจะเป็นเทเวลาอไร้ออาจจะเป็นอุประทานจิตของเราบูรตางขึ้นมาเองก็ได้ก็ให้พิจารณาเป็นตายรับไปดีที่สุดเป็นปรากฏการ์อย่างหนึ่งที่เราไม่สามารถสั่งการให้มันเกิดรือดับเองได้มันมาของมันเองในในมันก็ไปของมันเองมันเป็นอนิจจ์ก็รู้แค่นี้ให้มอร์ฟีนแล้วจิตสุดท้ายจะเป็นยังไงครับอ่าก็ มาฟินหมายถึงทำให้เขาตายจิตสุดท้ายก็ก็เหมือนเดิมเพราะว่าจิตสุดท้ายไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตายว่าตายแบบไหนจิตสุดท้ายมันอยู่ที่บุญที่บาตรเราทํวทำวันอันไหนจะมากกว่ากันมันจะมาสรุปยอดตอนที่จิตสุดท้ายทําบัญชีสิ้นปีอย่างเงี้ยเวลาคุณหมอทำอะทำมาค้าขายมาทั้งปีอย่างม่รูลว่าิปีนี้กำไรขาดทุนพอวันที่30ก็ปิดบัญชีเช่นเดียว มีนรได้เท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่มอก็จะรู้ว่ากําไรหรือาาขาดทุนเั้นเวลาจิตสุดท้ายก็เหมือนตอนที่เราปิดบัญชีบุญหรือบาต ท, ที่มีในใจเราแล้วก็มาใช้บัญชีหรือว่าบุญกับบาตอันไหนจะมากกว่ากันถ้าบุญมากกว่าก็กําไรก็ได้ไปสวรรค์ถ้าบาตมากกว่าก็ขาดทุนก็ไปอาบายมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะตายอย่างไรในตอนจิตสุดท้ายตายด้วยอุบัติเหตุตายด้วยยามาเฟีนหรือตายด้วยการ ค่าตัวตายหรืออะไรก็ตามแล้วแต่ไอ้ไอนัน่นมันไม่ได้เป็นตัวที่จะจะจะเป็นกําหนดว่าเราจะไปไปอย่างไรไปสูงหรือไปต่ำ อ, อาจารย์ครับเคยมีผมอ่านงานวิทยาศาสตร์นะครับเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์ไปดูไปถามคนที่เหมือนกับตอนจะตายแล้วเขาฟื้นขึ้นมาครับมีหลายคนพูดเหมือนกันกับอาจารย์บอกว่าเขาเห็นภาพรีรันหมดเลยครับตั้งแต่เขา เขาเด็กเขาตัวเป็นมาทำมาอะไรบ้างทำดีทํำช่วยองไรเขาเห็นยนนะครับสัญญามันมาได้อย่างรวดเร็วมันเป็นไปอย่างนั้นได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์ได้เพามันอยู่ในใจเราแต่อาจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนทั้งนี้บางคนกเกิดบางคนก็ไม่เกิดเป็นไปได้บางคนในลึกชาติย้อนกลับไปหลายภพหลายชาติก่อนก็ยังได้ มันมีถ้ามีกำลังจิต ท, ที่ที่ที่แข็งแกร่งที่มีที่มีพลังเนี้ยมัาสามารถละเลิกชาติได้เราพุทธาติลเลิเชาติได้เป็นวัยชาติพันชาติไปยังเม่เลือกถึงอยากจะถอนกลับไปดูว่าจุด น, นั่นทีนของพวกชาตินี้ไหนก็ไม่เจอมันไม่มีมันมีเกิดมีตายอยู่อย่างนี้มาตลอดอคุณเกวารินครับ พิจารณามรณ า, านุสติโดยพิจารณานามรูปังทุกขังได้ไหมครับไม่ใช่หรอมรึกนนสติให้พิจารณาร่างกายของเราร่างกายของเราเกิดมาแล้วต้องตายมานณะแปลว่าความตายเพื่อเราจะได้ปล่อยวางฝึกจิตให้ปล่อยวางให้ยอมรับความตายให้ได้พระถ้าเราไม่ยอมรับความตายและยังไม่ตายมันจะทําให้ใจเราทุกข์ทรมานมากเวลาที่จะต้องตาย ใ <muff> นงานในการเราเลิกถึงม า, า, านามรัตติจได้เป็นเรื่องเราให้ว่าเราอย่าประมาทนชีวิตเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้การที่มีโอกาสมีเวลาทําความดีทําบุญทำกุศลได้ดีบทําเสียเพราะบุญกุศล น, นี้เป็นที่พึ่งของเราได้เป็นที่พึ่งของดวงวิญญาณเวลาที่เราตายไปได้แต่ราภเมสตาเสริญศพที่เราหากัน ann, นี้เป็นที่พึ่งของดวงวิญญาณไม่ได้เวลาที mm ่เราตายตาย ทำผิดศีลห้าครับผลกรรมที่ได้คืออะไรครับก็ศีลห้ามันมีสาเหตุของการทําอยู่4สาเหตุด้วยกันถ้าทําบาปเพราะความหลงเพราะความไม่ร่วมันบาเช่นทําอาชีพค่าเป็ดฆ้าไกยเพราะคิดว่ามันเป็นความจําเป็นจะต้องเลี้ยงชีพของตนเองทันี้ถ้าทําบาปด้วยความหลงด้วยความไม่ร่วมเป็นบาปก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพอเดรัจฉานมันก็คิดแบบนี้ เนี่ยช้มันอยู่ได้เพราะการการฆ่าผู้อื่นะสัต์ใหญ่กินสัตว์น้อยอันนี้คือการมนุษย์ก็ถือเป็นสัตว์ใหญ่ไปฆ่าสัตว์น้อยหมูเห็ดเป็ดไก่เพราะฉะ้เอามาเลี้ยงชีพของตนเองอันนี้ก็ตายไปก็จะไปเป็นสัตว์ในราชฉานถ้าทาบาปด้วยความโลภอย่างได้เงินมากๆอยากได้อะไรมากๆก็จะไปเป็นเปรตเป็นดวงวิญญาณที่เหวหีโหยเพราะว่าความโลภมันไม่อิ่มไม่พอ ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอได้คืบก็อยากจะได้สองได้สองก็อยากจะได้วาได้ร้อก็อยากจะได้พันมันก็จะทวีคูณไปเรื่อยๆพอไม่ได้มันก็จะรู้สึกหิวโหยขึ้นมาทันทีแล้วถ้าทําบาปด้วยความกลัวเพราะว่าเขาจะมาทำร้ายเราแล้วเราก็อะไรไปทําร้ายเขาก่อนอันนี้ก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวเรียกว่าเป็นอสูรกายแล้วถ้าทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาท ตาต่อตาฟันต่อฟันใครทําให้เราทำร้ายเราเราต้องน้ำแค้นอย่างนี้ไม่ว่าจะไปนรกเพราะความโกรธความฆ่าพยาบาลนี้เป็นเหมือนไฟนรกไฟเผาผลาญจิตใจวันนี้ก็คือสีสถานที่เอาผู้ที่จะทํำบาปจะไปกันด้วยสาเหตุที่ต่างกันไปคุณกิติพรครับจะทราบได้อย่างไรครับว่าได้บรรลุพระโสดาบันแล้วหรือยังครับ ทราบสจเพราะเราจะไม่โกลัวตายต่อไปเราจะไม่กลัวเจ็บเพราะไม่จะเป็นโรคไรได้พราอมที่จะเจอโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดพร้อมที่จะตายได้ทุกเมื่อทุกเวลาใจไม่สะตกสะทานต่อความเจ็บต่อความตายการทําบุญโดยแบบโอนเงินเข้าบัญชีเช่นพระป่าก็ได้บุญเหมือนกับการที่เราใช้เงินสดปักบนต้นพระป่าใช่ไหมครับ เหมือ น, นกันเหมือ น, นกันไม่ต่างกันวันนี้มีคนคอมเมนต์ขอบพระคุณพระอาจารย์เยอะมากเลยนะครับคุณอัชาราครับถ้ามีพระสงค์ที่เราใส่บาตรขอให้เราเป็นโยมแม่ของท่านเนื่องจากท่านไม่มีแม่และให้เป็นโยมอุปถัมภ์ด้วยถ้าเรารับพระท่านสามารถร้องขอสิ่งที่ท่านขาดเช่นน้ำดื่มได้หรือไม่ครับ ก็อยู่ที่เราว่าเราจะบาวานาตัวเราให้กับท่านใหรือไม่ถ้าเราปาวานาแต่ ว, ว่าถ้าท่านองการอะไรจากดิฉันก็ขอบอกให้ดิฉันทราบดิฉันพร้อมที่จะถวายเท่าท่านกันจะขอเราได้แต่ถ้าโยไม่เปิดโอกาสไม่ได้บาวานาตัวถ้าไม่เลยเป็นยาตกิกันจริงๆก็ขอไม่ได้ถ้าไม่ได้ใส่บาตรแต่นําอาหารไปถวายพระช่วงเพนจะได้บุญเหมือนจะใส่บาตรไหมครับ เหมือนกันเนี่ยก็เป็นการใส่บาตรก็เป็นเป็นพิธีการหาอาหารของพระพระท่านยนี่โยมบิณฑบาตบางวัดท่านเวลาฉันเพนท่านไม่ไปบิณฑบาตสองรอบท่านบิณฑบาตรรอบเดียวคือตอนเช้าท่านฉันรอบหนึ่งวันถ้าญาติโยมอยากจะไปทําบุญก็ต้องไปที่วัดแล้วก็เอาอาหารไปใส่บาตรที่วัดแทน รู้จัาหารเป็นสำหรับไปก็ได้ใส่จานใส่อะไรแล้วแต่แล้วแต่ละวันว่าท่านจะฉันแบบไหนลองฉันเน้าว่าฉันได้บาทแตถ่ถ้าฉันได้บาทรก็จะฉันมื้อเดียวฉันตอนเช้าเท่านด้พระรับเงินได้ไหมครับผิดวินัยไหมครับเราถวายเงินพระบาปไหมครับเหมือนเป็นราบได้รับได้พระเจ้าตอนตอน้นห้ามให้รับเลยแต่ต่อมาเมื่อมีความจําเป็นรับสอ ง, องรงค์ลูก บางรูปท่านมีความจําเป็นที่จต้องใช้เงินเพื่อซื้อของที่จำเป็นเช่นยารักษาโรคหรือต้องเดินทางไปไหนมาไหนพระเจ้าก็เลยอนุญาตให้รับเงินได้แต่ไม่ให้รับกับไม่ให้ตัวไม่ให้รับด้วยตนเองให้ให้ให้ให้ลูกศิษย์เป็นผู้รับแทนเช่นถ้าอย่างเรานี้อาจจะให้คุณหมอถ้าเราไปไหนด้วยกันนะครับก็จะฝากให้คุณหมอช่วยดูแลเงินทองให้ถ้าใครอยากจะทําบุญก็ต้องเอาให้กับคุณหมอไม่ใช่ให้ให้กับเราโดยตรง แต่ที่นี้ทางเงินไทยมันเขา้เขาเช่าก็คิดว่าถ้าไม่ได้ให้กับพระโดยตรงเขาจะไม่ได้บุญเพราะถ้าเา้าเอาเงินให้เม่ากัให้คุณหมอก็คิดว่าเขาทาบุญกับคุณหมอเขาอยากจะให้กับพระก็เลยบางทีเขาต้องอนุโลมไปตามประเพณี น, นิยมความเชื่อรับก็รับไปแต่พอรับใจ ก, ก็หยิบให้คุณหมอเก็บไว้เหมือนเดิมอย่างนี้ก็จะว่าผิดก็ผิดแต่ว่าทํำโดยที่มันจิตใจไม่ได้มีความยุติธรรมมันก็มันก็ไม่มีปัญหา ก็ยังฝากไว้กับคุณหมออยู่ดีไม่ไม่ไม่มาเก็บไว้แล้วไม่เวลาจะใช้ก็ไม่นั่นใช้เองต้องให้ใช้ผ่านคุณหมอคุณหมอช่วยไปซื้อนู่นซื้อนี่ให้หน่อยนะเช่นบางทีเป็นโรคภัยไข้เจ็บต้องมารักษาตัวเรงพยาบาลมาแห่งเขาก็ไม่มีรักษาให้ทารฟฟีก็ต้องเสียเ ง, งินก็ต้องเสียเงนินไปคุณหมอก็ช่วยใจ่ายให้แตารับเงินแบบนี้ได้อยู่ะ ถ้ารับมาเก็บไว้ใส่ญ่ามเองแล้วอยากจะซื้อบุหรี่ก็ไปซื้อบุหรี่อยากจะซื้อกระถิ่งแดงก็ไปซื้ออะไรก็ซื้อมาดื่มตามนี้ไม่ควรทาแบบนี้ไม่ควรพอเงินที่เขาซื้อมาค่ายมานี้เขาจะให้ไว้เพื่อสัมมนาบริโภคคือสิ่งที่ควรต่อการบริโภคของสัมมนาก็คือปัจจัยสี่เป็นหลักหรือสิ่งที่สนับสนุนการศึกษาการปฏิบัติของสัมมนามาได้ ให้มันต้องไปเดินทางไปศึกษาที่วัดต่างจังหวัดนี้ต้องขึ้นรถไฟรถอะไรก็ต้องตีตัว๋วขึ้นเขาไม่ให้พาลนั่งฟรีแล้วสมัยนี้ทุก อ, อย่างต้องเสียเงินหมดถ้าเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติธรรมนี้ก็เอามาใช้ได้แต่ถ้ า, าไปเที่ยวอยากจะไปเที่ยวสิงคโปร์ก็ไปกันนี้แล้วก็ลองไปโปรดญาติโยมไปเผยแผ่ธรรมไม่รู้เผยแผตรงไหนไม่รู้ <laughs> อย่างนี้ก็ไม่ควรตอนพระอาจารย์ไปอุดรครั้งแรกนี้ไปฟรีไหมครับอาจารย์ก็ต้องอาศัยลูกศิษย์ที่วัดบางวานไปติีต่วไปส่งที่ศาลาในหัวลําโพงให้ไม่ฟรีครับไม่ฟรีเสียเงนิน <c oughs> ต้องเสียครับ <c oughs> แต่ญาญงเวลาเห็นท่านนั่งอยู่ในรถบางทีก็ซื้อน้ํา ม, มาถวายให้ไปแล้วนั่งคนเดียวเดี๋ยวก็สงสารก็เลยเอนานา้ําเครื่องดื่มมาถวายให้ สมัยนี้ก็แทบน้อยลงไปเยอะนะครับได้เห็นผ่ะนั่งแล้วน้ก็ะตวไหลคนที่อยู่ในช่วงโควิดทำกรรมอะไรมาครับหรือว่ากรรมเคยกักถังสัตว์ครับมันไม่เกี่ยวกันอ่ะมันเป็นช่วงของโลกที่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นกฎของอนิจจังโลกก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางช่วงวโลกก็อยู่ในภาวะที่ถูกเฉือนภาวะที่เครียดภาวะที่เป็นภยัย บางบางชั่วก็เป็นภาวะที่ปลอดภัยนั่นนี้เป็นเรื่องของกฎทางของตายรักของของโล ก, โล ก, โล ก, โลกที่เราเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอย่างนี้มันเจอเป็นทุกคนอย่ไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะคนบางคนนะทุกคนที่มาเกิดในโลกในช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็ตอเจอโลกโควิดด้วยกันนะเรียนถามดิฉันใส่บาตรพระแต่พระที่มาบิณฑบาต ท, ท่านจะถามตลอดบางครั้งถามอาหารที่ใส่บาตร อะไรโยมทําข้าวต้มมัดใส่บาทท่านเหมือนไม่อยากรับแล้วในบาทก็มีแต่งเงินและท่านไม่ค่อยสํารวมเลยค่ะแล้วอย่างนี้โยมบาปหรือเปล่าครับไม่บาปหรอกไม่ใ ส, ไใส่ไม่ใส่ก็ไม่ได้บุญแต่บางครั้งการการได้บุญแบบนี้ก็ไม่ดีถ้าท่านต้องการเอาเงินไปโดยที่เราไม่ทราบใส่ให้ว่าท่านต้องการจะเอาเงินไปทําอะไรท่านอาจจะเอาไปเลี้ยงสีการก็ได้สมัยนี้ <laughs> มีค่าใช้จ่ายเยอะเนี่ย <laughs> มันก็ไม่ควรการเป็นนบ่าให้คนจะให้อาหารถ้าท่านไม่อยากจะรับก็ชวนไม่ได้แล้วเรื่องของท่านไปซื้อของมาให้พี่สาวทาบุญใส่บาตรทุกวันเราเป็นคนจ่ายเงินทั้งหมดเราได้บุญใช่ไหมครับเราได้บุญที่เกิดจากการเสียเงินแต่พี่สาวได้เงินได้บุญจากการทําหน้าที่ใส่บาตรให้กับเรา แล้วก็มีคําถามว่าให้ร้านค้าใส่บาทให้ได้บุญหรือเปล่ า, านี่พระอาจารย์ตอบเหมือนกันเหมือนกันไปช่วยงานบุญทําความดีได้บุญไหมครับก็ได้อันนี้ก็เป็นบุญจากการช่วยเหลือสังคมเป็นจิตอาสาเริ่มเข้าสู่วัยสี่สบเริ่มเจ็บป่วยเรื่อยๆพบว่ายังรู้สึกร้อนรนกระวนกระวายแม้จะรู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่อยากป่วยไม่อยากทรมานพระอาจารย์มีวิธีฝึกปฏิบัติที่เจาะจงสำหรับประเด็นนี้ไหมครับ ก็ต้องฝึกสตินั่งสมาธิเทนั้นนะให้จิตนวมเป็นโอเบขาให้ได้เพราะจิตมีโอเบขาแล้วจิตก็จะเฉยๆวางเฉยได้ตอนนี้จิตมันไม่มไม่ไ ม, ไม่ไม่วางเฉยมันมีปฏิกิริยาเป็นอะไรมากระทบที่ที่ทุกข์ก็มันใจมันก็จะวุ่นวายขึ้นมาทันทีจะเด้นนอนกอดแขวงขึ้นมาทันทีเป็นคนรักสวยรักงามครับถ้านั่งสมาธิวิปัสสนาจะสงบได้ยากใช่ไหมครับ ก็ไม่แน่หรอการชสงบไม่สงบมมันไม่ได้ทีละลักษณ์สวยร่างามหรือไม่อยู่ที่เรามีสติหรือไม่มีสติมากกว่าคนที่รักสวยร่างามถ้ามีสติเขานั่งสามารถนั่งสมาธิเข้าฌานได้แต่คนที่ไม่รักสวยร่างามแต่ไม่มีสตินั่งปัญญาุตตายมันก็สงบไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่ความรังสวยน่างามมันอยู่ที่ว่าเรามีสติหรือไม่มีสติเวลาที่เรานั่งสมาธิเอาเงินทําบุญให้หมูและนิกิได้บุญใช่ไหมครับ ได้โมนิทโมนิธที่เขาก็เป็นองค์กรทําทําคุณทําประโยชน์คือให้ใครก็ได้ทั้งนั้นแม้แต่ให้ให้โจรก็ได้เพียงแต่เราไม่ควรให้เขาท่านเองเพราะกันให้โจรนี้เป็นการไปสนับสนุนให้เข้าไปทํำลายพูดมันต้องการให้เงินของเรานี่ไปเกิดประโยชน์กับพูดแล้วก็ไปทำเงินกับคนที่จะนํำเงินนี่ไปทําประโยชน์ให้กับเราจันทร์นิตินงพยาบาลนงเรียนต่างๆเหล่านี้หรือพระพุทธศาสนาออย่างเงี้ยเป็นการเป็นองค์กรที่ทําคุณทําประโยชน์ให้แก่โลก เราสนับสนุนนมก่อนอันนี้มันก็ทำให้โลกเราอยู่เย็นเป็นสุขมากขึ้นคุณเอกชัยครับผมฝึกนั่งสมาธิมานานแล้วแต่จิตไม่เคยสงบเลยเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับเพราะไม่มีสติไม่รู้เรื่องสติเป็นยังไงนั่งนั่งก็ไม่รู้นั่งอย่างไรนั่งเฉยๆแบบไม่มีสติมันก็ไม่เกิดไม่เกิดความสงบแล้วนั่งต้องมีสติควบคุมใจสติต้องอยู่กับกรรมฐานอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ต้องอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวหรืออยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกไปอย่างนั่งเฉยๆแล้วปล่อยให้ใจลอยไปลอยมาระว้ววางให้มันสงบไปๆ ไ, ไ, ไม่ได้ใส่บาทด้วยเหรียญวันละหนึ่งบาทหน้าพระพุทธรูปเมื่อบาทเต็มนําไปถวายที่วัดอย่างนี้ได้ไหมครับได้ก็เป็นการเป็นการผ่อนศกไปก่อนไงแต่ยังไม่ได้บุนนะถ้ายังไม่ได้ไปถวายที่วัดนี่มุนยังไม่เกิดเอีกแต่ว่าเป็นการเตรียมตัวทําบุญ ซื้ออาหารเสริมให้ผู้ปว่วยติดเตียงและจ่ายเงินให้เขาไปหาหมออย่างนี้ก็ได้บุญใช่ไหมครับได้รวญนี่ก็เป็นทางเหมอือนกันคุณพัชรวัตรครับลูกกลับเรียนขอปัญญาครับลูกเห็นผิวกายที่เคยตึงพออายุมากขึ้นเริ่มเหี่ยวย่นก็เฉยเฉยในสิ่งการเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้ไม่ให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงกับร่างกายลูกจะฟังขอทำนําไปฟังข้อธรรมนาไปปฏิบัติจนเป็นนิสัยครับคือ การเห็นสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปเสื่อมไปนี่มันอาจจะไม่ส่งผลกับจิตใจมากนะัเช่นความเหวี่วยย่นของของร่างกายของหนั น, นี้แต่มันจะเราต้องเราก็อยๆเพิ่มไปคิดว่าเราปล่อยวางร่างกายไนดะ้เพราะมันจะมีส่วนอื่นที่เราอาจจะยังปล่อยไปได้เช่นเวลาร่างกายเกิดลูกไผ่ไข้เจ็บขึ้นไปดูที่ว่าใจเรายังเฉยๆได้หรือเปล่า ในเวลาที่เรารู้ว่าเราจะต้องตายเนี่ยแล้วเรายัางทําใจเฉยๆได้หรือเปล่าอันนี้เป็นตัวตัวสําคัญ์กว่าความแก่นยังเป็นข้อสอบที่ง่ายข้อสอบที่ยากกว่ า, าคือโรคภัยไข้เจ็บกับความตายนี่คนจะคนจะไปทําข้อสอบสองข้อนี้ให้มากขึ้นให้เรามั่นใจว่าเวลาที่เกิดโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมารักษาไม่ได้เราก็จะไม่ทุกไม่เหนื่อยน้อยถ้าถึงเวลาจะต้องตายเราก็พร้อมที่จะตายได้ อันนี้จะเป็นข้อสอบที่เราต้องคนจะทําให้มากก่อนเวลาใส่บาตรตอนพระให้พรเราควรยืนหรือนั่งรับพรพระบางท่านบอกให้ยืนครับพระพระยืนโยมก็ต้องยืนครับทั้งนั้นเนี่ยก็แล้ว แ, วแต่ได้ทั้งนั้นอ่ะบางทีเวลาพระยืนให้พรโยมจะยืนด้วยก็ได้จะนั่งด้วยก็ได้ไม่มีมันไม่มีข้อ ข้อบ่งบอกในสมัยปัจจุบันในอดีตก็าอาจจะมีคำเนะนำในอดีตว่าถ้าพระนั่งเราก็ต้องนั่งถ้าพระยืนเราก็ต้องยืนอะไรทนงนี้แต่สมัยนี้คนไทเราก็นิยมนั่งกันส่วนใหญ่เวลาพระให้ผ่อนพระท่านจะยืนหรือถ้าท่านนั่งมันก็มักจะจะจะนั่งร่วมกันไม่ว่าถ้ามันอยู่ในสถานที่ที่นั่งไม่ได้ก็อาจจะยืนนั่งประมาณนั้อันนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมมากกว่า คุณบุญครับถามเรื่องการปฏิบัติครับเมื่อฝึกสติฐานกายแล้วมีเสียงเกิดจากสิ่งแวดล้อมเช่นคนเดินหรือของตกก็ตามจะเกิดการสั่นสะเทือนเป็นเหมือนคลื่นกระทบฝั่งเกิดดับครับก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะให้ความสําคัญสิ่งที่เราควรให้สําคัญก็คือให้เรามีสติอยู่กับกรรมฐานที่เราใช้ถ้าเราดูร่างกายก็ให้ดูต่อไปอย่าปล่อยให้ใจไปไปดูสิ่งอื่นแทน มีอะรเกิดกิดขึ้นมาก็รับรู้แล้วก็ปล่อยวางให้รีบกลับมาอยู่ที่ที่ร่างกายที่เราใช้เป็นเป็นองค์องค์ของกรรมฐานองค์ที่เราตั้งสติใช้ไปที่ตั้งสติตอนผ่าตัดดมยาสลบใช้วิธีดูลมหายใจจิตทิ้งกายพอร่างกายดับเหมือนมีอะไรหมุนเข้ากลางอกแล้วที่หมุนหมุนคืออะไรครับไม่รู้เหมือนกันนะ ก็ใกล้ร่วมเป็นตายรับก็แล้วกันร่วมเป็นตายรับเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่ต้องไปให้การสําคัญอะไรมากไปกว่านั้นคุณนริมมณ์ครับเมื่อไม่ส่งจิตออกนอกแล้วเหมือนอึดอัดดูลมหายใจเป็นหลักค่ะเหมือนติดในกรงขังกราบขอคําแนะนําครับเพราะกิเลสยังอยากจะออกอยู่ไม่นก็เลยเกิดการต่อสู้กันก็เลยเกิดัารอุดตัสติก็ายายจะเดินเข้า อีกเลก็พยายามจะดึง จ, จิตออกมั่มันมีนคนสองคนชักไปแยกกันแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบ่อยปัปบบ่อยเชื่องเมื่อไหร่ป๊ความอึดอัดก็จะหายไปถ้าเริ่มนั่งปั๊บนั่งนั่งสมาธิปั๊บความอึดอัดก็จะหายไปและถ้าจิตสงบกิเลส ย, ยอมยอมนิ่งไม่ไม่หยู่ความยากออกได้มันก็มันก็ความอึดอัดก็จะหายไปเหมือนกันงั้นเราต้องให้มันหายไปแบบที่เราชนะกิเลส เราต้องอยู่กับสติไปเรื่อยๆจน ก, กว่ากิความอยากที่จะลุกอยากจะไปทําอย่างอื่นมันหายไปความอึดอัดมันก็จะหายไปพราะจิตสงบขอถามเมื่อเราทําบุญแล้วให้พ่อให้แม่ให้ญาติของเราทําไมท่านถึงไม่ได้รับครับเพราะว่าเงินที่เราจะให้กับท่านตอนที่ท่านอยู่เนี่มันจะได้มากกว่าถ้าเราเอามันไปให้ท่านโดยตรงนะ บุญก็คือความสุขใจนี่แต่ที่เราต้องทําให้กับคนตายเพราะเราไม่สามารถมอบเงินให้กับคนตายได้เราก็เลยต้องแปลงกุญแจนี้ไปให้ไปเป็นบุญแล้วส่งไปให้เขาได้อยู่ แ, แล้นก็ส่งไปได้น้อยทํา บ, บุญน้อยบานทนี้ไม่ได้ไหมายว่าเราจะส่งบุญน้อยบาทไปได้ทั้งหมดนะท่านบอกส่งไปได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเองแต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่นี่เรามันน้อยบาทไปให้เขาเลยดีกว่าเพอให้เงินเขาน้อยบาทเขาได้รับเงินเขาก็มีความสุขใจขึ้นมา งนถ้าเราคนเป็นเราเราไม่ต้องทําบุญได้เขาเราให้เงินเขเลยโดยตรงดีกว่าแล้วเขาก็จะได้บุญเขาก็จะได้กลับสุขใจอิ่มใจขึ้นมาเวลาเราไม่สบายหรือมีเวทนาพระอาจารย์เคยบอกว่าให้แยกกายออกจากจิตอยากทราบว่าแยกกายคือเราก็ปล่อยให้เวทนาไปแล้วโฟกัสที่จิตรู้ว่ามันคืออะไรแล้วโฟกัสที่พุทโธต่อไปใช่ไหมครับใช่วางเฉยเนี่เลย อย่าไปยุ่งกับร่างกายอย่าไปยุ่งกับเวทนาไว้ให้มันเจ็บไปเราคือจิตเราก็พยายามอยู่กับตัวรู้ผู้รูไ้ไปด้วยการใช้พุโทโธพุโทโธดึจิตเอาไว้ให้รู้เฉยเฉเพื่อนเป็นมะเร็งครับเขาทํางานรับแทงบอลรับแทงหวยใต้ดินถ้าอย่างนี้ตายแล้วเขาจะไปไหนครับก็อยู่กับบุญกับบาปที่เขาทำมาตั้งแต่เขาเกิดเนี่ยอันไหนจะมากกว่ากันถ้าบาปมากกว่า บ, บุญเขาก็จะไปอภัย ถ้าบุญมากกว่าบาปก็ยังไปสวรรค์ได้อยู่ครับคำถามถัดมาเขาบอกว่าคนถ้าไม่ทําบุญไม่ทําบาปเลยตายไปจะเป็นอย่างไรครับก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่เพราะบุญไม่มีบุญเดิไปสวรรค์ไม่มีบุญไม่มีบาปเดงนไปอาบายก็จะ อ, อยู่ในวาระที่พร้อมที่จะกลับมาเป็นมนุษย์ต่อไปจําเป็นต้องวิเคราะห์จริตของเราให้ชัดไหมครับจึงจะไปเลือกประเภทของกรรมฐานครับ มันจำเป็นหรอกเพาว่าจันเรนนี้มันหมายถึงคนที่บางคนมีจันเรนการมาราคะนีาเป็นต้นเวลานั่งสมาธิบางครั้งคืออจารย์นี่จะให้อยู่ให้ดูลงหายใจเขาออกมันก็ไม่โยงอยู่มันจะไปคิดถึงเรื่องการมาราคางานอยางไปร่วมเพศกับคนนั้นคนนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ต้องใช้อสุภาพมาแก้มันจันเรนมันจะบอกเราเองวันนั้มันโผล่ขึ้นมา เราเป็นคนขี้โกรธเนี่ยเวลานั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธพอไปนึกถึงคนที่ทำใหเราโกรธก็โกรธเคลื่อนขึ้นมาไม่สามารถอยู่กับคําบริะคำพุโทโธได้เราต้องใช้ความเมตตาให้อภัยอภัยคนที่เขาทำให้เราโกรธถ้าเราให้อภัยเขาได้ความโกรธก็จะหายไปอันนี้มันเป็นเรื่องของการใช้ใช้ใช้กรรมฐานแก้ปัญหาเวลาที่มันเกิดขึ้น ถ้าปกติถ้าไม่เกิดการมาราคะไม่เกิดความโกรธแล้วก็ใช้อน า, น า, านอาปา น, นสติไปเวลาตั้งสมาธิหรืใช้พุทธานุสติไปแต่พอมีเกิดมีปัญหาขึ้นมาเกิดเหมือนนี้มีนิวอยขึ้นมาเกิดการมาราคะขึ้นมาก็ต้องใช้สุภาถ้าเกิดความโกรธก็ต้องใช้ความเมตต า, ราครับพระอาจารย์ครับ เวลาที่เราใส่บาดเป็นผลไม้เช่นส้มแอปเปิลมะม่วงอย่างนี้จําเป็นจะต้องปอกเปลือกมันไหมครับคือบจะมาลาใส่บาดนี่ใส่ใส่เข้าไปได้แล้วเวลาจะฉันนิพพานเขาจะมีลูกสิษย์ทำให้อีกทีนึงคือปกตินี้่มีความเชื่อว่าผลไม้นี่ที่ยังมีเมล็ดอยู่นี่เป็นสิ่งที่มีชีวิตเพราะว่าถ้าเมล็ดเปิดปลูกไปยังจะไดเติบโตขึ้นมาได้ยิ่งถ้าพระฉัน ผลไม้น้กเคี้ยวมันเลดไปด้วยนั่นถือว่าเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพระุทธเจ้าก็เลยให้ให้แก่ความเชื่อนี้คือไม่ได้ให้แก่ความเชื่อให้ทําตามความเชื่อของเขาว่าเอาถ้าถือว่าผลไม้นี้ยังมีชีวิตอยู่ก็ให้ลูกสิษย์ฆ่ามันก่อนะให้หันห่นหัน่นหั่นกล้วยคือหัน่นหั่นผลไ ม, ทมล้ที่มีเมล็ดที่ปอกเปลืยกมันหน่อยหรือหั่นลายตรงเมลนดหน่อยเพื่อจะวัด ได้ทำลายชีวิตได้ทำนะมันตายแล้วนะพระจะได้ชันได้อันนี้ก็เรียกว่าทางการทากับปิยะสายวันป่า น, นี่จะนิยมทําตอนก่อนที่จะถวายของเช่นเอาผลไม้เอาส้มมาถวายฐานอย่างเนี้พระจะกระถาว่ากับปิยะกะโรยิถามว่าได้ทําให้สมควรการสามัญ น, น, น้ำบอดีเิ่มหรือยังได้ทำให้มันตายหรอย่างความหมายเ่าหนี้ก็เอาส้มมาขึ้นมาลูกหนึ่งแล้วก็ฉีกมันออกไป บอกเปิดมันออกได้ครับกับวิยะพันเตอได้ทําให้มันตายแล้วสมคนที่บริโภคได้แล้วไม่บาปแล้วอั น, นี้แต่ถ้าเวลาใส่บาปไปญาตยมใส่ซ่อมใส่แล้วไปโดยที่ไม่ได้ปอกเปิดก็ไม่เป็นไรกับที่กับที่วัดลาท่านทลี้องการกันฉนพวกนี้แค่ก็จะเรียกลูกศิษย์มาช่วยทำกั บ, บวิยะให้ช่วยกับช่วยกับปีให้หน่อยลูกศิษย์ก็จะมาฉีกเส้าให้หน่อยแล้วะกับวิยาพันเตครับก็ฉันได้ ท่ญาตโยมไม่ต้องกังวลที่วันนี้พระท่ามีแนวทางที่ชันได้คุณรัชนีครับธรรมะที่เกิดจากสุตตะมยะปัญญาจะตามติดตัวไปทุกภพทุกชาติไหมครับแต่ยังไม่ได้เป็นประสบดับันได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์ทุกวันบ่ายสองโมงครับไม่หรอกเพราะว่าแม้กระทั่งขณะพระปัจจุบันมันยังเลือนได้เลยฟังธรรมะไปวันสองวันอย่างนันก็เลืมได้เนี่ยเราพูดแต่คำนิังอยู่เยอเนีย พอถึงเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็ทุกข์ใจขึ้นมาทันทีก็แสดงว่าเราลืมอนิจจ์นะพอเกิดอาการเจ็บไข้เนี่ยป่วยขึ้นมาแล้วก็ทุกข์ใจขึ้นมานี่ก็แสดงว่าเราลืมอะอนิจจ์เราลืมว่าร่างกายต้องต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปดันั้นเราต้องพยายามรักษาความรู้นี้ด้วยการเจริญจินตามเมตตาปัญญาต่อไปพระเจ้าสารัว่าหลังจากที่เราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเรื่อเกี่ยวกับเรื่องความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแล้วเราต้องเอามาพิจารณาอยู่แนว มันพิจารณาอยู่บ่อยๆเพราะเราจะได้ไม่ลืมแต่ถ้ายังไม่ได้เอามาใช้ในการปฏิบัติมันก็ยังลืมได้อยู่ถ้าเราหยุพิจารณาไปสักพักหนึ่งเช่นสมมติเราตายไปแล้วเราไม่มีเวลาได้พิจารณาเราไปเกิดใหม่แล้วก็อาจจะลืมมนไปก็ได้แต่ถ้าเราเอามาปฏิบัติด้ว ย, ด, วยด้วยการปฏิบัติแล้วเราเอามาใช้เป็ น, เ, ปนเครื่องมือดับความทุกข์ได้มันจะไม่ลืมและทีนี้มันจะเป็นปัญญาอย่างแท้จริง เรียกว่ามนภาวนาไมยะปัญญาอาจารย์ครับแต่นิสัยฟังทำไปเรื่อยๆอย่างนี้จะติดไปได้ไหมครับก็ติดนิสัยนีเคยทําอะไรไปแล้วอยู่ติดจะติดมากติดน้อยก็อยู่ทำมากทําน้อยนิสัยใส่บาตรนิสัยรักษาศีลนิสัยอะไรนี้มันจะติดไปกับเราจะมากหรืจะน้อยทําเองอยู่ที่ว่าเราทํามากแล้วทําน้อยครับขณะที่จะใส่บาตพระไม่เปิดฝาบาตอย่างนี้ควรจะใส่ไหมครับ ท่านน่งทำนถ้าท่านมาทำไมนะถามนั่นอยู่ท่านท่านก็ต้องถามดูทําไมท่านไม่เปิดบาร์ถ้าไม่อยากจะถามก็ไม่ต้องใส่ถ้าท่านไม่เปิดบารก็ไม่ต้องใส่ถ้าท่านถามมาทํายนน้อยไม่ใส่บารแล้วละวัดแล้วท่านจะไม่เปิดบาร์บที่ท่านอาจจะเฝ้าสติคิดเรื่องนั้นึิดเรื่องนี้อยู่ก็เลยเลือกเปิดฝาบารก็ได้ก็ต้องดูดูเหตุการณ์ก่อนว่าทําไมท่านถึงไม่เปิดฝาบาร ปกติเมื่อวันบินธบาติเม่าญาติโยมจะใส่บาตก็ต้องเปิดฝาบาตกันเป็นธรรมดาถ้าท่านไม่เปิดก็แสดงว่าต้องอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นละอาจจะว่าท่านไม่ต้องการรับก็ได้ก็แล้วไปท่านไม่ต้องการรับก็ไม่ต้องใส่ mm hmm. หรือว่าท่านเสิร์ฟถ้ากำลังคิดเรื่องอะไรอยู่ก็ไม่รู้ในใจมือเปิดฝาบาตก็ได้ันก็ต้องหาสาเหตุให้เจอก่อนว่าทำไมไม่เปิดฝาบาตร <Okay. c oughs> ไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นทุกวันแต่บางครั้งหน้าที่การงานทำให้เราต้องผิดศีลบ้างคือทานเหล้าพอเรากลับมาสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนเราจะบาปไหมครับคือการเดินชลานี่มันไม่ม ไ, มมไม่เป็นบาปมันเป็นอบา ย, ยอย่างเดแต่มันจะทําให้เราไปทําบาปได้ง่ายถ้าถึงห้ามเพรนพอมื่มาแล้วความการควบคุมกิริยาอาการของของกายวาจาใจมันจะลดน้อยลง พอจะคิดทําไม่ดีมันก็อาจจะบังหยุดมันไม่ได้ ถ, ถ้าถ้าเหนื่อยแล้วเมาแต่ถ้ามีสติไม่เมานี้เวลาคิดจะทําอะไรไม่ดีก็ยังหักห้ามมันได้อยู่ยิ่ถ้าตามดารายังไม่ทําบาสนี้เยือนธลาอย่างเดียวนี้ยังไม่ถือว่าบาสนี่เดือนธันาแล้วก็คุณมาหดือนธลาแล้วก็ขึ้นนอนเนี้นยจำญาณนอนหลับมันก็ไม่บาปแต่มันทําให้เราไปนั่งสมาธิไม่ได้จะทำทำประโยชน์ จะเป็น ส, สตินั่งสาามาธิก็ทำไม่ได้เพราะถ้าเกิดอาการมึนเมาแล้วมันมันไม่มีสติที่จะนั่งสมาธิได้พระนักเทศจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับตามหลักประธรรมาวิไนยครับรก็เรามีคุณธรรมที่พระเจ้ามีสามข้อมีบริสุทธิ์ทิคุณมีจิตใจปราศจากอคติทั้งปวงไม่มีกินเลสตัณหาไม่มีความนักชังโกนหลงอยู่ในใจ แสดงธรรมมันจะสามารถแสดงธรรมได้อย่างถูกต้องตามหลักความเปจริงโดยไม่ต้องเกรงใจคนฟังใช่ไหมแต่ถ้าคนที่ยังมีคติอยู่ยังมีความรักชังกลัวหลงอยู่ถ้าไปฟังเปไปคนมาฟังนี้เขาเคกินให้ผลประโยชน์กับเราเราก็ต้องระวังจะพูดไงจะพูดความจริงที่เขาไม่ชอบเขาพูดไม่ได้เพราะรู้สึกทำให้เขาไม่สบายใจถ้าอย่างนี้ก็ไม่ควรไปแสดงธรรมเพราะธรรมมันจะไม่มันจะไม่เป็นธรรมแท้มันจะเป็นธรรมที่มี มีอคติข้อบงำอยู่ยงนั้นจิตของผู้แสดงธรรมนี้ต้องเป็นจิตที่บริสุทธิ์ที่เราวิสุทธิคุณเพราะพุทธเจ้ามีพระคุณสามัญคือวิสุทธิคุณจิตใจที่สะอ า, ารบริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทนจากการแสดงธรรมจากใครแสดงธรรมไปตามความเป็นจริงแล้วก็ต้องมีก ร, รนาัาก ร, รุัลคุณเขามีความเมตต์มีความสงสารเห็นชอบทุกข์อยากจะช่วยบรรเทาความทุกข์ของเขาด้วยการให้ธรรมะกับเขาไป ไม่ได้บุญแรงว่าเขาจะใส่ใส่ใส่ซาวตอบแทนเท่าไหร่การเทศเท่าไหร่อะไรนี่ไม่มีอันนี้ถ้ า, ถ, าถ้าการเทศน้อยขนาด น, น, นี้หมดมาอาจจะไม่เทศก็ได้อาจจะเปลี่ยนไปที่อื่นข้อสองต้องไม่มีหวังผลนับประโยชน์จากใครทําเพื่อทําเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเหนือน่อย่างท่พูดด้วยความกรุณาด้วยความสงสารแล้วข้อที่สามต้องมีปัญญาความฉลาดในการแสดงธรรม อามารยกยกตัวอย่างให้คนฟังฟังได้เข้าใจอย่างง่ายได้ทำบางทีมันลึกซึ้งมันยากลาบากเพราะมันเป็นนามธรรมาแต่คนที่มีปัญญาเนี่สามารถที่จะยกตัวอย่างทําให้เขาเห็นเห็นธรรมะที่ยากได้อย่างง่ายได้อย่างพระพุทธเจ้าในเวละะาแสดงธรรมมักจะมียกตัวอย่างถ้าแสดงทําให้กับชาวนาชาวไร่ก็จะพูดถึงเรื่องการไ ถ, ถานาบ้าเรื่องของการเกี่ยวข้าวว่าให้เป็นรูปธรรมขึ้นมนาะพอเขาเห็นแล้วเขาจะเข้าใจได้ น, นี้คือปัญญาถ้ามีคุณธรรมสามสามประการนี้เราแสดงธรรมได้ได้อย่า ง, อ ย, างอย่างถูกต้องแม่นยงแล้วได้คุณได้ประโยชน์กับผู้ฟังอย่างแน่นอนขออนุญาตเรียนปรึกษาที่ฉันมีความสึกคิดบนเห็นภาพเนื่องจากสงสารสุนัขตัวหนึ่งเขาป่วยเป็นโรคที่ก้นปวดเบ่งถ่ายยากเบ่งออกมามีแต่เลือดภาพนั้นติดตา สงสารจึงไปสอบถามคนเท่านั้นเขาบอกว่าเจ้าของสุดาคไม่สนใจพาไปรักษ า, าอยไม่อยากพาไปรักษาแต่ด้วยความไม่เข้าอย่างจึงคิดหดหูใจเดือดเกินว่าเราไี่ช่วยเขาไม่ได้แต่ละวันก็คิดวนกับสุนัขตัวนี้เพราะเป็นห่วงสงสารเขาเราไม่ช่วยเราจะได้ใจดําหรือเปล่าเจ้าคัะจึงขอวิธีดับทุกนี้ครับคือการช่วยใครไม่ช่วยกันก็อยู่ที่เหตุผลว่าเราช่วยเขาได้ไหรือไม่เราอยู่ในฐานะที่ช่วยเขาได้ไหรือไม่ เรือเขาจะอยู่ในฐานะที่จะรับความช่วยเหลือของเราได้หรือไมถ้าเราไม่อยู่ในฐานะที่จะช่วยเเขาได้มันก็ไม่ได้เป็นการเป็นการใจดําแต่อย่างใดหรือถ้าเราไม่ถ้าเขาไม่สามารถรับการช่วยเหลือจากเราได้ก็ช่วยไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่เปลี่ยนแปลงมันก็มันก็เป็นเรื่องของเหตุผลไม่ใช่เรื่องของความใจจื้ใจดํำถ้าถ้าเราจมีความทุกข์ใจที่เราเียไม่ช่วยเขา งั้นเราช่วยเขาไม่ได้เราก็ต้องมาทําใจให้เป็นอมเมกขาหยุดความอยากที่อยากจะไปช่วยเขาโดยใช้กฎแห่งกรรมเป็นตัวตัดสินว่าเป็นเนื่องบุ่นเนื่องบาปของเขาก็แล้วกันที่เขาอยู่ในสภาพที่ไม่มีใครช่วยเหลือเขาได้ใจเราก็จะได้สบายไม่คิดว่าเราใจดํานั้นก็ไม่ความความอยากที่จะทําให้เราไม่สบายใจก็จะหยุดไปเพราะเรารู้ว่ามันทำอะไรให้เขาไม่ได้เป็นเป็น เป็นการบุญเข้าไปเป็นการบุสัตว์ไป ข, ขาพการทำบุญโดยใช้แรงงานในการทำบุญแตกต่างจากการทำบุญโดยการใช้เงินทำบุญอย่างไรครับมันอยู่ที่ประโยชน์แต่ที่เกิดขึ้นไม่แตกต่างกันแต่ว่าถ้าเราใช้แรงงานแล้วเราไมถ้าเราไม่คิดไม่เก็บเงินร้อยบาทถ้าเรางานร้อยบาทเราไม่คิดเงินเขามันได้ประโยชน์ร้อยบาทครับคนที่เข้าทำบทุญว่าหลายมันก็ได้เท่ากัน จิตวิปลาดที่เกิดจากการปฏิบัติผิดวิธีเกิดจากอะไรครับเกิดจากไม่ไม่ศึกษาการปฏิบัติที่ที่ถูกต้องหรือไม่มีครูบาอาจารย์คอยที่ว่าแก่าวตักเตือนสั่งสอนอันนี้การปฏิบัติธรรมจําเป็นจะต้องมีครูบาอาจารย์ที่รรลุธรรมแล้วคอยสั่งสอนแล้วจะได้ทําทิ่แท้ทําที่ถูกต้องไม่ไม่เป็นวิปลาดเพราะท่านจะสอนท่านจะบอกลูก น, น้องไว้ก่อนว่าถึงจุดนี้อย่าทําอย่างนี้นะ ทำอย่างนี้ก็จะเป็นวิปลาสต่ต้องทําอย่างนี้พอได้สมาธิแล้วก็อย่าไปติดสมาธินะต้องเอาทำปัญญาต่อไปถ้าอยู่กับสมาธิอย่างเดียวมันก็จะติดสมาธิมันก็จะไม่ไมก้าวหน้าแต่ถ้าไปทำปัญญาแล้วเกิดอาการฟุ้งซ่านขึ้นมาจากการพิจนารณาปัญญาก็ต้องหยุดพิจารณาปัญญาชั่วคราวแล้วกลับเข้ามาเข้าสมาธิก่อนเพื่อมาพักพักจิตพัก พักความฟุ้งซ่านก่อนตอนนี้ถ้าไม่มีใครบอกบางที่มั น, ม, นมันลืมไปพอมันได้สมาธิมันก็อยากยาวแต่สมาธิอย่างเดียวมีความสุขกับสมาธิแต่ไม่รู้ว่าเวลาออกจากสมาธิมาเจอความทุกข์ก็ดับความทุกข์ไม่ได้ถ้าไม่มีปัญญาพรอพ อ, อมาทำปัญญาเห็นปัญญามีคุณมีประโยชน์ดับความทุกข์ได้ก็ไม่ยอมเข้าสมาธิเลยใช้ปัญญาจนกรตั้งจิตเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาจิตอาการ นิดเดียวลยเมื่อนั้นไม่มีาลังขึ้นมาอันนี้ก็จะทําให้ปัญญาไม่มีความสามารถที่ระดับความทุกได้ก็ต้องหยุดการพิจารณาทางปัญญาแล้วกลับเข้ามาเข้าสมาธิพักผ่อนหลันอนก่อนอันนี้เป็นสิ่งที่บางทีถ้าไม่มีครูบาอาจารย์สอนนี้มักจะมักจะไปสุดโตกทางใดทางหนึ่งถ้าได้สมาธิก็จะติดสมาธิพอทางปัญญาก็จะไม่ยอมกลับเข้าสมาธิเลยในเรื่องการเข้าสมาธิเสียเวลา เวาใช้ปัญญาเราค้ากิเลสตัวนั้นตัวนี้ได้แต่บางทีมันค่าเราไม่ตายค่าเราท่านี้ค่าเราไปกลัมาค้าเราไปที่มาทำให้เราฟุ้งซ่านขึ้นมาได้มีคนมาขอเงินกินข้าวแต่ไม่ได้ให้เงินแต่พาเขาไปนั่งกินข้าวที่ร้านแทนแบบนี้ได้บุญแบบไหนครับก็ได้บุญตามที่เขาต้องการไงถ้าให้เงินเขาเขาอาจจะมาหลอกเราไปเลยเขาอยากจะซื้อเหล้าแต่เขาไม่กล้าขอเงินไปซื้อเหล้า เรากรว่าถ้าขอซื้อเหล้าเขาเราจะไม่ให้เขาเขาก็เลยมนหลอกเราขอซื้อ ข, ขอของกันไปกินข้าวถ้าเราไม่อยากให้เขาทำบาปเราอยากจะให้เขาได้ข้าวกินเราก็พาเขาไปกินข้าวซื้อข้าวให้เขากินเลูกควรจะใช้คําพูดอย่างไรให้เหมาะสมไม่เป็นการสอนพ่อเวลาพ่อยิงกระรอกยิงหมาครับกับกบประคุลครับไปเฉยเฉยไปท่านดีที่ ทำผู้ที่ดีที่สุก็เฉยไงไม่เฉยแล้วก็ไม่เกิดโทษไม่เกิดคุณไม่เกิดอะไรพ่อก็สบายใจพอไปสอนพ่อขึ้นมาหุ่นดียังไงพ่อก็รู้มันมันมันจะมาสอนกูอยู่ว่านอกจากว่าพ่อมันปรึกษาว่าอพ่อข้ากระ่อมนี้ผิดหรือเปล่าอย่างนี้ก็ค่อยบอกได้บางทีพ่อไม่รู้ก็ได้ ขับรถติดไฟแดงภาวนาไปแล้วจิตนิ่งไปเลยครับจนข้างหลังบีบแตอย่างนี้อันตรายมากแบบนี้คือสภาวะใดครับก็ภาวนาไม่มีสติอยู่การขับรถไปอยู่กับสติอยู่การนั่งสมาธิในเวลาขับรถต้องมีสติอยู่การขับรถอย่าไปมีสติอยู่การการนั่งสมาธิเพรเดี๋ยวจิตสงบแล้วมันก็ไม่รับรู้เรื่องของการขับรถเลย ยังต้อให้รู้จักใช้สติให้เหมาะกับการละเทสะถ้าเราทำรดมีการเคลื่อนไหวมีการการะทำอะไรเราต้องมีสติอยู่การเคลื่อนไหวกับการการะทําอะไรแต่ถ้าเรานั่งเฉยๆไม่มีการกระทํานี้เรา ม, มีสติกำลังหายใจรือพุทโธได้เพื่อจินรวมเป็นสมาธิได้เรารู้จักการใช้สติให้เหมาะกับการละเทศะ คาวาสสามารถบรรลุอรหันต์ได้ยากกว่านักบวชไหมครับถ้าต้องมีแฟนมีครอบครัวหน้าที่การงานต้องรับผิดชอบจะทําให้ตัดการมรารคะหรือโมหะวิชาได้ยากหรือไม่ครับและถ้าอนาคตบ้านปลายทิ้งทุกอย่างมาทางธรรมจะบรรลุได้ไหมครับถ้ามีอะไรก็แสดงว่ามีกิเลสมากการมีนั่นมีนี่ก็เพราะเป็ น, นเป็นผลที่เกิดจากการมีกิเลส อ, อยากได้นู่นอยากได้นี่ดอยากมีนั่นอยากมีนี่แสดงว่ากิเลสมากบางคนที่ไม่มีอะไร คนที่สำระสิ่งต่างๆได้ไปบวชได้นี่แสดงว่าเขาตัดกิเลสไปได้เยอะแล้วตัดไปครึ่งหนึ่งแล้วแต่คนที่ยังมีครอบครัวมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติมีกิจการอะไรต่างๆอยู่นี่ก็มีกิเลสมากกว่าการมนุษย์ทำก็จะยากกว่าอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นชาวว่าทีทรัพย์สมบัติมีคนมีภาระหน้าที่การงานมันก็ไม่มีเวลาไปปฏิบัติถ้าวัาคนที่ไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีหน้าที่การงาน คนที่ต่อาน้าเนี่ยเป็นคนที่มีโอกาสบนรลุธรรมดได้มากกว่าคนที่มีงานทำํทำทางธรรมเนี่ยเป็นอย่างนี้นั่งสมาธิอยู่กับคําพุทโธอย่างเดียวไม่จับอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกได้ไหมครับได้คนจะเป็นอย่างนั้นเสียได้ซ้ำไปไม่ควรจะใช้สองอย่างเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจะดีกว่ามันไม่ยุงงย่งยากเวายุ่งยากลจะทำให้จิตสงบได้ยากขึ้นเลยให้มันง่ายๆให้จิตอยู่กับเรื่องเดียวสิ่งเดียว มันจะไน่นยึดแน่สม่ได้ง่ายได้เร็วกว่าวิปัสสนากับกรรมฐานต่าง ก, กันอย่างไรครับและเราควรปฏิบัติวิปัสสนาหรือกรรมฐานครับคือคาว่าวิปัสสนาในความหมายของมานคือการรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมเช่นรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี่ในใจรักนี่เรียกว่าวิปัสสนาการการปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงเราเรียกวิวปัสสนา ส่วนกรรมฐานนี่เป็นอารมณ์ที่เราใช้ในการควบคุกใจดึงใจไว้ให้ให้นิ่งให้ใจไม่ไปคิดปุ่มแต่งเพื่อจิตจะได้สงบเป็นสมายที่ขึ้นมาหรืออาจจะใช้กรรมฐานเพื่อเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นตัวสร้างวิญญาขึ้นมาก็ได้เช่นใช้อสุภาษณ์อาการ32นี่ถ้าเราพิจารณาอาการ32นี้นี่ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่ง เป็นกรรมฐานเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงในความเป็นจริงของร่างกายว่าไม่สวยไม่งามอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาได้กรรมฐานนี้เป็นอานมณ์ที่เราสามารถใช้ให้เป็นเป็นสมาธิคือเป็นสมถะก็ได้หรือให้เป็นวิปัสสนาก็ได้แล้วแต่เราจะใช้อย่างไรกรรมฐานก็เป็นเหมือนมีดเนี่ยเราจะไปใช้ตัดผักก็ได้อราจะไปตัดเนื้อตัดอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางใดทางหนึ่ง กรรมฐานมีประโยชน์อยู่สองทางคือเพื่อให้เกิดสมถะให้เกิดความสงบเกิดสมาธิแล้วก็เพื่อให้เกิดปัญญาหรือเกิดวิปัสสนานี่คือความหมายของกรรมฐานแต่วลาคนที่เขาใช้กันเขามักจะใช้สลับกันไปแบเป็นปเหมืนหอปปมนแบบว่าถ้าไปปฏิบัติธรรมบางคนก็ไปวิปัสสนาบางคนก็ไปปฏิบัติกรรมฐานอาหมายก็คือไปปฏิบัติจิตนี่แหละไปเจริญจิตตภาวนาขั้นใดขั้นหนึ่ง ไม่ขั้นสมรรถกับขั้นวิปัสสนาในการปฏิบัติทั้งสองขั้นนี้ก็ต้องมีกรรมฐานเป็นเครื่องมือเวลาที่นั่งสมาธิพอจิตเริ่มสงบแต่มีเสียงดังเหมือนมีไม้มาตีไม้มีเสียงดังจนสะดุ้งทั้งที่ไม่มีใครต้องปฏิบัติอย่างไรครับอย่าไปสนใจให้อยู่กับให้มีสติอยู่กับลมหรืออยู่กับพุทโธถ้านั่งแล้วไม่มีสติอาการต่างๆเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นได้ นั่งนั่งอย่างนั่งมัดบาทสัจสติจิตจะต้องมีอะไรคอยควบคุมไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งไม่ให้ผลิตอาการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาต้องพุโทโธไปเรื่อยๆตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงว่าสุดท้ายของการนั่งสมาธิแล้วถ้าดูลมก็ดูไปเรื่อยๆตั้งแต่ต้นจนจบอย่าทิ้งลมอย่าทิ้งพุโทโธอย่างใดอย่างหนึ่ง เวลาโอนเงินทำบุญแต่ไม่ได้กรวดน้ำไม่ได้อธิษฐานจะได้บุญไหมครับบุญได้แล้วจากการให้ไปพอเรากดพอเกดตกลงปั๊บมันก็ไปแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาไดโอนเงินของท่านไปแล้วเราก็เกิดความสุขใจเอ็มใจขึ้นมานี่คือบุญนะถ้าต้องการทิศบุญแล้วเราก็ต้องเระลึกขึ้นมาในใจว่าเขาทิศบุญส่วนนี้ให้กับผู้ที่ลงนับไปแล้วเพราถึงจะได้บุญอีกจากเราอีกที่หนึง่ง พ่อแม่ให้ชีวิตเราเราแค่เป็นคนดีไม่ต้องอุทิศบุญให้ท่านท่านก็ได้ใช่ไหมครับเพราะท่านให้ชีวิตเรามาครับไม่หรอกการให้ชีวิตนี่มันไม่ได้เป็นการทําบุญแต่อย่างไงมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาทางธรรมชาติที่เกิดจากการมีความรุ่มเพลิ น, นมันก็เกิดมันก็เด็กมันก็คลอดออกมาถึงนั้นจะเป็นหมือนการการให้ชีวิตแต่เป็นจริงๆมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ให้ชีวิตมันเรื่องของธรรมชาติ การเกิดนี้เป็นเรื่องปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่ได้มีผู้ใดผู้หนึ่งมาให้ชีวิตนี้กับใครแต่เรื่องดูเรานี่ะเป็นการทําบุญกับเราเรืงดูเรานี้ก็เป็นแต่ก็ไม่ได้บุญมากเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเรื่องดูตัวเองไงเพราะลูกก็เป็นเหมือนตัวเราเองมันไม่เหมือนกับเราไปเรื่องดูคนอื่นที่ไม่มีไม่ไม่ไม่ได้เป็นลูกไม่ได้เป็นญาติเราอันนั้นเราจะต้องใช้ความเสียสละมาต้องบังคับใจหลาย ให้ยินดีที่ต้องเสียสละซ้ำเพื่อผู้แต่กับลูกเรานี่เราถือว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งของเราเป็นตัวเราซึ่งได้ซ้ำไปอันนี้จะไม่ค่อยได้บุญเท่าไหร่ถ้าพระเจ้าตั้งใจจะทำบุญออนไลน์ทุกวันพระแต่วันพระเงินหมดเลยไม่ได้ทำจะติดค้างกับอะไรไหมครับก็ต้องพยายามทำนัดเจนไว้ทำงบประมาณไว้ เดือนนี้เราจะแบ่งเงินไว้ทำบุญเท่าไรแล้วแยกไว้เป็นส่วนๆไปถ้าเราไม่ทํา้อประมาณมันก็อย่างนี้ก็เกิดปัญหาขึ้นมาเพรา็กิเลสมันจะไปเอาไปกินทั้งหมดเงินที่จะทําบุญนี่กิเลสก็จะมาขอไปทับก่อนข อ, อไปซื้อมุณฑ์ก่อน่ะไปซื้อเน่าข้าวขวดก่อนไปเที่ยวที่นู้นที่นี่ก่อนเงินก็เลยไม่มีจะเอามาทมําบุญล้วอยากจะมีเงินทําบุญก็ต้องจัดเป็นเป็นข้ประมาณมาเดือนนี้จะแบ่งเงินร้อยละยี่สิบมาให้กับการทําุญ ยากไว้เลยเงินฉันนี่ยจะต้องเอาไว้ทําบุญอย่างเดียวถึงจะได้ทําบุญฝึกสมาธิกี่ปีถึงจะสงบครับขอคําแนะนําเพื่อเป็นการไม่ย่อท้อต่อการปฏิบัติครับน่าแต่กําลังของสติบางคนนั่งครั้งแรกก็สงบได้เลยบางคนวนมาเป็นสิบปียี่สิบปีนั่งสมาธิจิตยังไม่สงบก็มีมันไม่ได้อยู่ที่เวลามันอยู่ที่สติถ้ามีสติมากนี่นั่งปับเดียวก็ ก็จิตก็รวดเป็นสมาธิได้เลยถ้ามีสติน้อยก็ต้องพยายามเพ่งสร้างสติเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก่อนอาจจะต้องใช้เวลามากน้อยต่างกันไปตามความพยายามของแต่ละคนในซอยที่พักมีพื้นที่ว่างที่ยังไม่สร้างบ้านมีตําลึงขึ้นเราไปเก็บมาทานจะผิดศีลไหมครับถ้าโดยหลังมันก็ ต, นนนต้องมีเจ้าของที่ตรงนั้นมันต้องเป็นเจ้าของสิ่งที่เกิดขึ้นในที่นี้นั้นก็ต้องเป็นของเจ้าของก่อ ถอจะทำให้ถูกก็ต้องไปขออนุ ญ, ญาตจากเจ้าของขก่อนการทำสมาธิจำเป็นต้องมีการเดินจงกรมควบคู่ไปด้วยไหมครับหรือทำแค่สมาธิอย่างเดียวได้หรือไม่ครับการทำสมาธินี่ก็เป็นการทำจิตให้นิ่งสงบซึ่งต้องทำในท่านั่งแต่บางทีเรานั่งได้สักพักแล้วเราทนนั่งต่อไปไม่ไหวเราก็เปลี่ยนมาเป็นเดินท่าเดินก็ได้เดินจงกรมแทนก็ได้ ในการนีโ<อ>้โดยรวมนี้จะทําให้จิตไม่นิ่งสงบเท่ากับการนั่งสมาธิสมถะต่างจากวิปัสสนาอย่างไรและเราควรปฏิบัติสมถะหรือวิปัสสนาดีกว่ากันครับเออต้องปฏิบัติทั้งสองอย่างขั้นแรกต้องปฏิบัติสมถาถะก่อนสมถาถะแปลว่าทําใจให้สงบให้นิ่งสงบเป็นสมาธิเป็นฌานชั้นต่างๆก่อนเพราะก่อนที่เราจะไป ปฏิบัติวิปัสสนาได้เราต้องมีกําลังที่เอาไปปฏิบัติเพราะทําวิปัสสนานี้เราจะต้องเอาไปต่อสู้กับข้าศึกศัตรูที่มาสร้างความทุกข์ให้กําลังก็คือกิเลสตัณหาถ้าจิตเราไม่มีสมถะเราจะไม่มีกําลังเวลาเราพิจารณาด้วยปัญญาว่าความทุกข์ของเราเกิดจากกิเลสเราก็จะหยุดมันไม่ได้ดังนั้นก่อนที่เราจะไปทางวิปัสสนาเราต้องทําสมรถะให้จิตมีพลังก่อนมีกําลังที่จะหยุดกิเลสได้ก่อน เ้าพอเราไรวิปัสสนาเราก็จะเห็นว่าความทุกข่างต่างนี้เกิดจากจัวเหตุตัณหาของเราเราก็จะหยุดมันได้ถ้าเรามีสมถะ ม, มีมีความสงบแต่ถ้าเราไม่มีความสงบเราก็จะหยุดมันไม่ได้เราต้องทําสมาถะก่อนแล้วค่อยไปวิปัสสนาเราทำทั้งองอย่างแต่ต้องทําเป็นขั้นเป็นตอนเลยละความชั่วทําแต่ความดีภาวนาพุโทโธเป็นประจำ ในปัจจุบันพอถึงเวลาตายไปกับพุโทโธไม่ต้องกังวลเดี๋ยวจิตจะไปดีเองครับก็อยู่กับบุญกับบุญกับบาว่าอัะไ น, นจะมากกว่ากันถ้าบุญมากกว่า บ, บาบุญเขาไปดีถ้าบาบมากกว่า บ, บุญเขาไปไม่ดีได้ฝึกสมาธิแบบลมหายใจและพุโทโธแต่เห็นใจคิดตลอดเวลาตลอดเวลาที่นั่งสมาธิมีแบบคิดอัตโนมัติและตั้งใจคิดเองต่อนเนื่องขอคําแนะนำพระอาจารย์ครับ พอเราฝึกสติน้อยไปยแล้วเราฝึกสติทั้งวันเลยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาแล้วเราต้องพุโทโธไปเลยคอยควบคุมความคิดคอยป้องกันความขึ้นแน่เกิดขึ้นถ้าเราทําพุโทโธไปได้ทั้งวันพอถึงเวลานั่งสมาธิจิตก็ยันนิ่งจะสงบได้อย่างง่ายดายแล้ะรวดเร็ ว, วให้ทุนการศึกษาจะได้บุญแบบไหนครับก็เหมือนการเป็นการให้ทานอย่างนี้นนเป็นการเจรจากงเงินทองให้กับผู้อื่นเข้าไป แล้วก็ใช้ประโยชน์ทํหน้าที่การศึกษาแต่เราก็เป็นการให้ทานเหมือนกันจะเรียกว่าเป็นการให้วิทยาทานก็ได้ให้เขาได้รับความรู้อยากนั่งสมาธิแต่เป็นโรคปวดหลังตลอดเวลาและปวดเขา่าทำให้ต้องตอนนั่งทรมานมากและนั่งได้ไม่นานขอได้โปรดแนะนําว่าคนรทำอย่างไรจึงจะํสามสมาธิได้โดยไม่ทรมานครับ เรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายนี่เราก็ต้องยอมรับมันไปถ้าเราอยากนั่งสมาธิเราก็ต้องทนแล้วก็ต้องพยายามฝึกสติให้มากๆก่อนที่เราจะมานั่งถ้ามีสติมากมากมันั่งปุ๊บเดียวห้านาทีสินา ท, นาทีก็จิต ก, ก็ ส, สงบเข้าสมาธิได้งนั้นพยายามฝึกสติก่อนมานั่งตั้งแต่หึงตาขึ้นมาพอเราตื่นขึ้นมาก็ท้องพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันเลยไม่ว่าเราจะทําทอะไร ที่ไม่ต้องใช้ความคิดแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปถ้าเรามีความจําเป็นจะต้องคิดเราก็หยุดพุดโทโธไว้ชั่วคราวพอคิดเรื่องที่จะเป็นเสร็จแล้วแล้เราก็กลับมาพุโทโธพุโทโธต่อถ้าเราทําอย่างนี้ได้อย่างต่อเนื่องเวลามานั่งสมาธินี้นั่งเพ่งไม่กี่นาทีจิตก็ลวมเป็นสมาธิได้ที่บ้านไม่ได้ตั้งสารพระภูมิจําเป็นจะต้องมีศารไหมครับเพื่อจะมีสิ่งข่มคลองบ้านครับถ้าจําเป็นก็นงไปทุกบ้านใช่ไหม ไม่บางบ้านก็มีบางบ้านก็ไม่มีนันเป็นเรื่องของความเชื่อมากกว่ามัไม่ใช่เรื่องของความจำเป็นแต่อย่างไรคุณพ่อช่วยเหลือลูกหลานเรื่องเงินที่ขาดแคลนมาตลอดชีวิตจะได้บุญในส่วนนี้ไหมปัจจุบันป่วยเดินไม่ได้สามารถนาเงินของท่านไปทําบุญแทนท่านจะได้บุญไหมครับคือเวลาตายไปน้ำเงินของท่านนี้ก็ไม่ได้เป็นของท่านเอกต่อไปเป็นของคนที่ครอบครองเงินนั้นต่อไป แลถ้าคนนั iana, ้นเอาไปทําบุญคนที่คนคนนั้นจะได้บุญมากกว่าคนที่ตายไปถึงแม้จะอุทิศบุญให้กับคนตายบุญที่อุทิศไปนี่ก็จะเป็นส่วนด้อยแต่บุญส่วนใหญ่จะได้จะได้จากผู้ให้ผู้ผู้กระทาบุญนั้นถึงว่าจะเป็นเงินของผู้ตายไปแล้วก็ตามหลังื่อผู้ตายตายไปแล้วมงนั้นก็ไม่ได้เป็นของผู้ตายต่อไปเป็นของผู้ที่มีชีวิตอยู่ผู้ที่มีชีวิตอยู่ทําบุญก็จะได้บุญ เราสามารถแ บ, บ่งมุลนี้ให้กับผู้ที่ตายไปได้ถ้าผู้ที่ตายมันอยากจะได้ร้อยเปอร์ซ็นก็ทามุลก่อนตายดีกว่ามีเงนินเท่าไหร่เทาก้านเงินก้อนนี้เราไม่ต้องใช้เข้าไปทามูลใช่ลหมเราก็จะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าเราไให้เราตายไปแล้วให้ลูกหลานมาเอาอะไรของเรานี่มาทาบุลให้เราเราได้เพีแค่สิบเปอร์เซ็น จะมั่นใจได้อย่างไรครับว่าไม่มาเกิดอีกหรือจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าถึงพระอนาคามีแล้วครับมันก็มองเองในใจเนี่ยความอยากมันจะหายไปความอยากจะเสด็การมราคาหายไปมันก็ไม่มันไม่มีความอยากจะเสด็การไม่มันีความอยากจะรูปแผ่นยกไทยความอยากไม่กลับบ้างเกิดอีกมันก็ไม่มีความอยากเอาอะไรมัไรอในใจใจอยู่เฉยๆได้ไอ้ที่ไม่ต้องไปเดินรอนหาอะไรมาให้ความสุขของมันมันก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ มันอยู่ที่ความอยามันนุมันอยู่ที่ตัวความยามยวออยา่ามันยังมีนองเหนืออยู่เปล่าถ้ายังมีนองเหนืออยู่มันก็ยังต้องทำมันเกิดอยู่ยาดองที่ด้วยน้ํามูดเน่าในสมัยนี้จะเปรียบเทียบกับอะไรครับอาจารย์ก็ยาดองทั่วไปเนี่ยนี่เราที่เขาใช้นี้ท่านี้เขาจะใช้น้าปัสสาวะเขาก็ใช้น้ําน้ําเกลือน้ำแช่เกลือแล้วก็ผลผลละมททั่นจิยาดองใส่เข้าไป มันสักพักหนึ่งน้ำก็จะกลายเป็นยายาอมขึ้นม า, านสมาัยมก่อนเขาเชื่อว่าน้ำปัสสาวะนี้มีคนจะสมบัติอยู่กับน้ำเปล่าเพราะไม่ต้องไปหาเกลือมามแช่เพราะมันมีคลาบเค็มอยู่ในตัวมันน้ปสนัสสาวะเลยก็เลยสามารถเอามาใช้เป็นยองยาได้ทำบุญมาตลอดชีวิต ลืมบุญที่เราทําไว้เราจะทราบได้อย่างไรว่าบุญที่เราทำไปเราจะได้อนิสงส์เมื่อโรคเมื่อไรครับออบุญมันจะจัดอยู่ในใจของเราจะเลืมอเมื่อนึงมันก็อยู่ในใจของเราถึงเวลามันก็จะส่งผลคือความสรงใจเองใจไม่ค่อยได้มีโอกาสไปใส่บาตรแต่ชอบช่วยเหลือคนก็ได้กุศลบ้างไหมครับได้บุญเหมือนกันนะ่ะ ถ้าเราช่วยคนด้วยกันจํานวนเท่ากันกับเงนที่เราไปใส่บาตอันนี้สองก็ได้เท่ากันได้ทําฐานเท่ากันเวลานอนทําการภาวนาพุทโธทําได้ไหมครับจะบาปไหมครับไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่าจะไม่ค่อยได้ผลพ่ามันจะดับไปก่อนเว่ามันสบายเกินไปคําถามสุดท้ายครับอาจารย์เวลาบนสวรรค์กับนรกอันไหนยาว ก, กว่ากันครับ เวลามางทีเราวันไม่ได้เพราะทีนสวรรค์นั้นลบนไม่มีนาฬิกาแต่มันจะว่าจากความรู้สึกเพราะว่าถ้าเวลาเรามีความสรงนี้เราจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วในเวลาที่เรามีความทุกข์เราไปติดคุกนี่เรารู้สึกว่ามันนานเหลือเกินก่อนจะพ้นโทษงั้ก็สรุปทักสรับตามความรู้สึกก็เวลาที่อยู่ในนรกนี่มันนานกว่าเวลาที่อยู่ในสวรรค์ แต่เวลาที่ความเป็นจริงอาจจะเท่ากันอาจจะเป็นน้อยปีพันปีเท่ากันแต่ในความรู้สึกของผู้ที่อยู่ในสวรรค์หรือนรกนี้นนนมันจะรู้สึกต่างกันกับเรียนพระอาจารย์ครับท่านประธานบุธิสภาเข้ามาฟังด้วยนะท่าน <laughs> คอมเมนต์บอกแบบไว้ก็หนักหวังได้ก็เบาครับสาธุสาธุ <laughs> ขอให้ไปทําประโยชน์ให้กับสังคมให้มากที่สุด น, นะ อาจารย์ครับขอโอกาสครับวันนี้มีเพื่อนๆในเฟซฟังอยู่เจ็ดร้อยสิบสามท่านในยูห5 5้อยห้าสิบห้าท่านในคลับแปดท่านในติ๊กต่อห้าร้อยยสิบเก้าครับมีเพื่อนๆฟังทาด้วยกันหนึ่งพันเก้าร้อยสิบห้าคนครับเริ่มอ่านคำถามแรกเวลายี่สิบนาฬกาสิบสี่นาที อ, อาจารย์ตอบไปเจ็ดสิบเจ็ดคำถามครับวันนี้ครับคำตอบตอจะยาวหน่อยคำถามมันไมน้อยลงก็ขอชื่นชมยินดีกับทุกท่านที่มีความสนใจในธรรม เราหวังว่าการได้ยินได้ฟังธรรมนี้จะเป็นคุณประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตต่อไปให้มีความทุกข์น้อยลงให้มีความสุขเพิ่มพากขึ้นตามลาดับการจชนะธรรมสาหรับคืนนี้ก็ ค, คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนั่งราสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไป พ, พิจารณาไปปฏิบัติเพราะความสุขความจเจริญก้าวหน้าในทาง่ีๆขึ้นไปเถอดอาทู Turn. ก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าองการหน้าไม่มีเหตุการณ์ข้าวใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าขอเจริญพรกับพ ร, ระคุณพระอาจารย์ครับ